พระอาจารย์ครับการรำมรัชการครับผมจเจริญพรคุณหมอและท่านผู้ชมผู้ฟังทุกท่านพระอาจารย์ครับวันนี้เป็นการจัดรายการวิสัชนาธรรมครั้งที่สองร้อยสาสิบแปดนะครับพระอาจารย์ครับก่อนเข้ารายการขอโอกาสครับพระอาจารย์ครับเมื่อเช้าไปบินทบาทมีคนไปใส่บาทเยอะไหมครับผมเมื่อเช้านี้ก็มีประมาณสี่ร้อยหคนเป็นปกติรกตครับ วันนี้ตอนบ่ายก็นาบุติก็ร้อยสี่สิบครับมั้ก็ร้อยกว่าเกับเจ็ดร้อย้อยครับผมตอนนี้ก็มีผู้ชมอยู่ทางนี้ประมาณเจ็ดร้อยกว่าคนแล้วครับาอาจารย์ครับอาจารย์ครับครับผมก็ช่วงนี้มีเห็นคำถาม หลายหครั้งเดี๋ยววันนี้มีคําถามเกี่ยวกับสงครามเยอะเลยครับอาจารย์ครับแต่ก่อนจะเข้าคำถามเพื่อนๆเนี่ยครับผมได้รับคําถามเกี่ยวกับเรื่องกรรมฐานหลายครั้งครับพระอาจารย์และพระอาจารย์บางครั้งก็ให้ให้ปัญญามาแล้วแต่ว่าวันนี้ก็เลยอยากจะขอสรุปว่าขอปัญญาจากพระอาจารย์เกี่ยวกับเรื่องอนุสติสิทธิครับว่าเราจะฝึกกันอย่างไรครับอาจารย์ครับกับเอาความเมตตาครับผมชือกรรมฐานที่เรเรียกว่าอารมณ์ ที่ผูกใจไว้ไม่ให้ลอยไปกับกระแสของความคิดปรุงแต่นเพื่อให้หยุดความคิดปรุงแต่นใจจะได้นิ่งสงบเข้าฌานได้ที่อารมณ์เรียกว่ากรรมฐานนี้ก็มีอยู่40กรรมฐานสี่สิชนิดด้วยกันแบบ่งเป็นกลุ่มกลุมวัสตินี้ก็มีอยู่สิกลุ่ ม, มสุภาพก็มีอยู่สิกลุ่มกสิมก็มีอยู่สิบ แล้วที่เหลือก็มีเป็นครามัยหานสีท่านสีอาลยปฏิปูลสัญญาแล้วก็อารูประชานศีนี่ตอนนี้คืออารมณ์ที่เราสามารถเจริญเพื่อผูกใจไม่ให้ลอยไปกับความคิดได้แต่ที่เราใช้กันทั่วไปนี่จะอยู่ในกลุ่มอนุสติสิบอนุสติสิบก็มีนั่นแต่ะพุทธานุสติ ธรรมารู้สติสังฆารูสติก็คือเลึกถึงรพระพะุทธจาพระธรรมพระสงฆ์แล้วิอาสสาปัญสติที่เรารู้จักกันแล้วก็มีปาญาสติกายคตาสติส่วนข้อก็เราไม่ค่ได้ใช้เ ท, ทวานุ้สติศีลารูสติจาค้ารูสติอันนี้ก็เกี่ยวกับเรื่องการบริจาคชาข้าก็คือการบริจาค ศีลาก็คือศีลที่เรารักษาแต่ที่เราใช้กันทั่วไปก็จะมีอยู่พุทธานุสติธรรมานุสติกับอานาบนุญสติเป็นสว่วนใหญ่พุทธานุสติก็เราเลิกถึงพระพุทธเจ้าก็มีวิธีระลึกแบบสองแบบแบบยอกับแบบพิสดารบแบบยอดก็เราเลิกถึงชื่อของพระพุทธเจ้าพุทโธพุทโธพุทโ ธ, ธไป ถ้าแบบพิสดารก็สวดบทอ e ิปิปิโสสวดบทพุทธคุณไงอิิปิโสพระกวาอราห์สมาสมุทโต่ไม่ได้สวนรอบเดียวนะสวดสวดไปยังกัจจจารวมเป็นสมาธิล้าก็ที่เราใช้อย่างอินอย่างธรรมานุสติคือคำสอนของพระพุทธเจ้าเช่นบทสวดบนที่เราท่องพระสูตรต่างๆ ธรรมจักรกับปวัตนาสูตรสติปัฏฐานสูตรอันนี้เราเรียกว่าเป็นการเจลังธรมมนสติเพื่อให้ใจหยุดคิดพุ่งแตกนี่กรรมาฐานแต่และชนิดมันก็มีวิสัยทัศและมีความสามารถอยู่ในกรอบของมันเราต้องรู้จักใช้ว่าอันไหนควรไม่ควรใช้เบื้องต้นถ้าเราเิ่มต้นนั่งสมาธิแล้วเรา คิดฟุ้งซ่านอย่างาคิดจะเรื่องงานเรื่องการงานเรื่องคนนั้คนนอยู่ให้ดูเราถูกไม่ได้ให้ตรอบทไมามานันถกกต้องใช้การส่ว น, ส, วนส่วนบนต่างๆบทต่างๆการธรรมานุสติก็คํคำสอนขรเจ้าเห็นทางส่วนบุญส่วนบนธรรมบุญส่วนบน สติประธานสุดแล้วแต่เราจะจําได้ไงแล้วก็สวยูญไปสวญไปสักภากใหญ่ๆแล้ใจก็าหฟาฟุังชั่นได้แล้วที่นี้เราก็กลับมาสู่อารมณ์ที่จะดหนึ่งใจเรานี่งเต็มที่ก็คือกลับมาที่คำอะไรคำพุทโธหรือกลับมาที่อยูเราหายใจเข้าที่หายจอออันนี้เราก็จะทำให้ใจเราลงพอ่อผสมสมาธิได้ต่อไป ถ้าส่วนอย่างเดียวนี้มันไม่คลมันมันสวดใจน้อคิดอยู่มันมันก็จะนิ่งไม่ได้แต่น้อยแต่ถ้าเราเพียงแต่บริกรรมคาเดียวพูดตอนี่มันมันก็มันก็สามารถนิ่งได้เมื่อดูลาหายใจเข้ามันจะทําให้ใจรวมเป็นอัปปนาสมาธิได้อันนี้ก็คืออุสติที่เรามักจะใช้กันทั่วไปเวลาที่เรานั่งสมาธิ แต่ตอนอกจากนั้นเรายังต้อ ง, จงเจริญสติในระหว่างวันอีกคือไม่ใช่แต่เฉพาะเวลานั่งสมาธิหรืนั่งสมาธิเพียอย่างนดียเราต้อ ง, จงเจริญสติทั้งวันถ้าเราอยากจะได้ไประโยชน์ได้ผลจากการนั่งสมาธิถ้าเรามาจเจริญแต่เฉพาะเวลาที่เรานั่งสมาธิมันจะไม่มีกําลังพอที่จะทําให้ใจรวมเป็นสมาธิได้ทนายสอให้เราเระหว่างวันนั่นเติบขึ้นมา ไห้เจริญสติต่อเนื่องไม่ขาดตอนให <e ้เป็นสัมปชัญญะให้ได้คือมีสติต่อเนื่องอยู่กับกรรมฐานใดกรรมฐานหนึ่งเช่นอยู่กับคําบริการมพุทโธนี่เราสามารถใช้พุทโธนั้นในทุกอุปเลยของการเคลื่อนไหวของการททํางานของร่างกายเดินยืนนั่งนอนมาพุทโธได้ตลอดเวลาอาบน้ำบบท่าล้งหน้าแปรงันแล้วก็พุทโธได้ อีกวิธีหนึ่งก็คือถูกใจไว้กับการอิเลียบทต่างๆของร่าง ก, กา ย, ยาการยัคตาสติอิเลียบทสี่นั้นเร่องอยู่นํางนอนคอยเฝ้าดูอาการของร่าง ก, กายดูการเคลื่อนไหวดูการ ก, การทะทําต่างๆทํามน้ำล่างหน้านนนแปลงฟันก็ถูกใจให้อยู่กับกิจกรรมเหล่านี้ไม่ให้ใจไปคิดถึงเรื่องอื่นเหมือนคุณหมอผ่าตัดเนี่ยเวลผ่าตั น, ตนคุณหมอต้องมีสติอยู่กับ งานผ่าตัดเพียง่าเดียวจะไปคิดถึงเรืือนเดี๋ยวผ่าผิดผาถูกก็อันนี้ก็แบบเดียวกันจารสตินะให้จิตอยู่กับงานที่เรากลร่างกายกำลังทำอยู่จะได้หยุดการคิดไปในตัว น, นี่ก็คือหลักการจรสตอนุสติตยงนที่เั่ยังอ่จะไกาิดปใักอารจรนะปฏิตยับงา่ราังรกังจะไริปัว่รสตินะ้ต่ัตจะจะง่ลืมตาขึ้นถึงยด้าิในตัวน่คัา มางงงใช้พุโทโธพุโทโธไปมังงงว่าดูการเคขื่อนไหวของร่างกายไปหรือบางทีอาจจะสลับอย่างอื่เข้ามาก็ได้บางครั้งอาจจะมีอารมณ์เรื่องกามอารมณ์ขึ้นมากา็จะมาใช้อสุภาษิตกันนะคิดถึงสร้างสรรคสิบชนิดหรือว่าดูการทาาที่สองของร่างกายผมขนแล้วบปันน้ำเนือ้ออนทรถ้ามีอารมณ์ ที่มาลบปวนใจในช่วงที่เราบางทีเผอสติหรือถ้ามียาลมโกรดมาอาจจะไปโกรดคนให้กรธคนนี้ก็จะเปลี่ยนมาเป็นตรงเวยียนศีมันจะรป็เมตาภาวนาสรรเสริญตาเวลามุ่นตัวอย่ามีเวรนิยมเกิ น, กนให้ไปกันอันนี้ก็แล้วแต่เหการณภาวะที่จะมีเกิดขึ้นในปัจจุบันทันเดินเหมือนกับยารักษารโรไป สมัคที่นี่เขาปวดฟันยังไงก็อาจจะต้องไปหาหมอฟันเพื่อถอนฟันหรืออะไรถ้าปวดเท้าก็อาจจะต้องรับประทานยาที่จะทําให้อาการปวดเท้าลดหนอ ง, งหายไปถ้าปวดศีรษะเป็นรับประทานยาถ้าปวดศรีดรษะเป็นต้นอันนี้กามเป็นใจก็เหมือนนั่งกายอาจจะมีภาวะแทรกซ้อนเกิดขึ้นอยู่รือยๆอาจจะเกิดการมาลาคัดขึ้นมาอาจจะเกิดโทสะขึ้นมา ไปลองใช้กรรมฐานที่เหมาะสมกับกับเรื่อคของใจในขณะนั้นแต่ถ้าใจเป็นปกติไม่มีโรคเนี่ยเหมือนเข้ามาแทร ก, กซ้อนก็ใช้กรรมฐานอนุสติอย่างใดอย่างหนึ่งไปพุโทโธไปหรือกายกตาสติไปดึงดันเคลื่นหวของร่างกายจนกว่าจะมานั่งสมาธิก็ใช้พุโทโธต่อไปทด้ถานั่งสมาธิแล้วเปลี่ยนมาดูลมหายใจเข้า เราไม่ไดีมเนี่ดูลมหายใจในขณะที่มีการเคลื่อนไหวเพราะว่าลมหายใจมันละเอียดมันดูยากยากกว่าการดูการทำงานการเคลื่อนไหวของร่างกายมันอยากกว่าแต่ถ้าเวลานั่งไปเราก็ว่าใจเมื่อังรางการที่มีการเคลื่อนไหวแล้วนั่นนิ่งๆก็เหลือแต่ลมหายใจที่ยังมีการเคลื่อนไหวก็ผูกใจไว้กับลมหายใจเข้าออกไปหรือผูกยึด ใ, ใจอยู่กับคำอมิษฐาน คือพุทธานุสติคือบริกรรมพุทโธพุทโธไปเนี่ยนี่ก็คือวิธีหลักการสติจนันทร์สติทั้งวันทั้งคืนยุคปันเวลานนะก็ออยกับเหตุการณ์ว่าเราอยู่ในเหตุการณ์แบบไหนถ้าเมีการเคลื่อนไหวก็ใช้สติกายาตาสติหรือพุทโธนัสติถ้านั่งเฉยก็ใช้อานาปันสติหรือพุทธานุสติ ถ้ามีอารมณ์แทรกซ้อนเข้ามามีการมาราคาก็อสุภาษิตถ้าถือสินแบกอดข้าวเย็นถ้าหิวข้าวควเจริญอาหารในปฏิกู ล, ลสัญญานั่นหมถึงความเป็นปฏิกูลของอาหารที่เรารประทานเข้าไปในร่างกายมันจะได้ดับความผิวความอยากกินอาหารไนดะ้นี้ก็คือกรรมฐานต่างๆที่เราใช้ในการ กวคุมใจให้อยู่ในความสงบไม่ให้เกิดความคลุ้งซ่าให้เกิดความอยากต่างๆขึ้นมาพระอาจารย์ครับแล้วเราควรจะยึดกรรมฐานใดกรรมฐานหนึ่งหรือว่าเราใช้ไปแล้วแต่สถานการณ์นะครับอาจารย์ก็โดยปกติถ้าไม่มีสถานการณ์อะไรก็พุโทโธก็ได้เนื้อดูกาศขึ้นไหวพอลืมตาขึ้นมาเรดูตรงนี้ร่างกายอยู่ในระยาปุถไหนเฝ้าดูร่างกายเมันร่างกายเป็นนักโทษ เรเป็นยาที่จะไม่ให้นักโทวนี้ฆ่าจากแายตาเราไปในทุกยุริยาบทก็ <S <S ได้ใช้อยา่างใดอยา่างหนึ่งก็ไดทโธก็ไใช้การเข้ า, าดูยินียาบทก็ได้หรือบางครั้งว่าจะใช้ทั้งสองอย่างช่วยกันกได้เราที้งดูแล้วมันยังไปคิดถึงคนนั้นคนนี้ยก็ใช้พูุทโธเดินกับมาที่ร่างกายที่หอันนี้ต้องฝึกไปแล้วมันจะรู้เองนะมันแค่มันเป็นการ ม, ม, มีประสบะการณ์ว่า ม, ม, มีปัญหาบาทีวิธีนี้แก้ไม่ได้ก็อาจจะต้องใช้วิธีหน่งมาช่วยนะคเรารนี่อาจารย์ครับเมื่อกี้ที่อาจารย์พูดถึงผ่าตัดเนี่ยครับ เ, เวลาที่เราฝึกกา ย, ยะคตาสติเนี่ยรู้สึกว่าเหมือนกับเราเฝ้าร่างกายคือเฝ้าอยู่ข้างในตัวเองนะครับแต่เวลาที่ผมผ่าตัดเนี่ยผมจะต้องโฟกัสกับวัตถุที่อยู่ข้างนอกเนี้ยครับอาจารย์อย่างนั้นถือว่าเป็นสติไหมครับอาจารย์ครับก็บแล้วแต่ว่าจุดสําคัญมันอยู่ที่ตรงไหนไง เช่นเราขับรถเนี่ยเราไม่ได้อยู่ที่ร่างกายเราอยู่ที่รถเพราะมันสําคัญกว่าอยู่การเคลื่อนไหวของรถถ้าเกิดมีรถตัดหน้าเราสามารถที่จะแก้ปัญหาได้ทันการหรืป่าแต่ก็มีสเปรก็เป็นส่วนหนึ่งที่ไปกับร่างกายเพราะร่างกายเป็นผู้ควบคุมรถมันจะให้สั่ร่างกายให้ทําควบคุมรถให้อยู่ในภาวะที่ปลอดภัยได้ ก็ต้องแล้วแต่ว่าเรากําลังอยู่ที่อันตัวไหนเป็นตัวสําคัญเป็นตัวตัวเอกเราก็ต้องดูตัวนั้นถ้าผ่าตาัแล้วแม่ต้องดูเครื่องมือดูบีดผ่าตัดว่าผ่า ถ, ถูกที่หรือเปล่าถอนฟันในถอนฟันที่ถูกซี่หรือเปล่าครับผมอาจารย์ครับแล้วอนุสติแต่ละอย่างนี้ก็จะอ่าเป็นสมถะหรือเป็นวิปัสสนาได้แล้วแต่แล้วแต่ชนิดใช่ไหมครับอาจารย์ครับ ก็ที่เป็นไม่ปรสัสนาได้ก็คือกรรมฐานก็สุภาษิตนี่เป็นปัญญาเห็นความไม่สวยงามของร่างกายคือความไม่เที่ยงร่างกายมันมีทั้งสวยและไม่สวยเนี่เมื่มันแก่มันเจ็บไข้ได้ป่วยเมืาอไรก็ไปของไม่สวยไปเมืนตายไปแล้วก็ดูความไม่สวยงามของร่างกายอันนี้ก็เป็นปัญญาหรือเรารู้ถึงความตายมันก็เป็นปัญญา มานานแ้วสติแลออ้ถึงว่ารา ก, กายนี้ปกิดมาต้องตายมันก็จะ ช, ช่วยกำลาความโลภความอยากได้ไปเยอะเพรอยากจะร่าอยากจะรวยเพราคิดแต่ว่าเดี๋ยวก็ตายแล้วมันก็อะไรไม่รจะอยากไปทํำไมตายไปก็อะไรไปไม่ได้มันก็แล้แต่กรณีด้วยว่ามันมีภาวะซากซ้อนแบบไหนแล้วก็ต้องแก้ไปด้วยปัญญาอันนี้กรรมฐานที่เป็นปัญญา ขอบพระคุณพระอาจารย์ครับเดี๋ยวน่านจะมีคําถามจากเพื่อนๆ เ, เกี่ยวกับเรื่องอนุสติมาอีกเรื่อยๆครับผมแต่ตอนนี้คําถามส่วนใหญ่จะเป็นจะเป็นคําถามเกี่ยวกับเรื่องเนี้ยครับพระอาจารย์ทหารมีหน้าที่ปกป้องประเทศหากไปทําให้ฆ่าศึกต้องตายอย่างนี้เป็นบาปไหมครับพระอาจารย์บาปแต่มันจำเป็นอันนี้ไ ม, ม่ใครบังคับใครอันนี้แล้วแต่ความสำนึกใจ บางคนเขาไม่ฆ่าเขาถือศีลเขาก็ไปบวชใช่เขาก็จะได้ไม่ได้ไปฆ่าคนต่างประเทศเขาก็มีบางทีมีการเกณฑ์ทหารถ้าเขาเป็นนักบวชนี่ยเขาก็ไปขอยกเว้นได้ว่าเขาไม่สามารถไปเป็นทารได้แต่บางทีเข้าไปเป็นเข้าไปเป็นแบบไม่เป็นเขาเรียกว่าเป็นเป็นศาสดาจารย์เป็นศาสนาจารย์ไปสอนเรื่องธรรมะเรื่องคําสอนศาสนาให้ ให้ให้ให้ให้ใจของผู้ที่มีปัญหาขอาผุ่นใจและสงบใจได้แต่มันก็เป็ น, นมันก็แล้วแต่เราจะเลือกว่าเราจะเราจะไปทางไหนถ้าเราเลือกว่าเราจะต้องปกป้องประเทินเราก็ ป, ปัจจัยานแล้วเราถ้ า, าต้องฆ่าแลเราก็ยินดีแล้วก็จะไปฏิญาตองฆ่าแเรวก็ต้องฆ่าแต่เราก็ต้องต้องยอมรับว่ามันการฆ่ า, ามันก็เป็นเป็นบาปเป็นบาปที่มีผลตามมา เขาเรื่องได้เขาถามต่อครับส่วนทหารต่างชาติที่ไม่เน้นได้นับถือพุทธศาสนาฆ่าคนบาปไหมครับเหมือนกันนะไม่นับถือว่าเป็นศาสนาใดทั้งสิ้นการกระทํานี้เป็นเป็นสากลกฎแห่งกรรมนี้เป็นสากลไม่เลยขึ้นยิบกับว่าตามถือศาสนาไหนหรื่องเป็นชนชาติชาตนใดผิวใดนะี้มันจะไม่มีมันเหมือนกัน การกระทำผู้กระทาก็คือจิตนะโดยอาศัยร่างกายเป็นเครื่องจิตเป็นเรืกระทําแล้วจิตเป็นผู้รับผลของกายระทําแล้วถ้าหากตายไปจะลง อ, บอบาบยภูมิที่เดียวกันหรือไม่ครับประเทศเดียวกันถ้าถ้ถ้าค่ า, า, า, เ, พาเพราะความหลงป็นร่ว่บาป ก, ก็เป็นเกิดเป็นสัตว์ยราชานี่เป็นผูมิดเดียวกันถ้าค่าด้วยความโลภ ก, ก็ไปเป็นเปรต ราคาโดยการลค่าพยาบามเข้าไปในโลกนี้คุณแทนบอกว่าเราจะวางใจอย่างไรกับช่วงนี้ที่มีสงครามครับมีจิตตกมากเลยครับก็เราต้องเปเจนาร์กดของธรรมชาติกฎที่กํากับดูแลร่างกายของพวกเรานะทรัพย์สมสมบัติของพวเราก็าคือกฎอันนี้จังพระเจ้าบอกเป็นกฎของใจละ อ, อันนีจ้จทุกข์ขังมโนตา แต่มาแล้วเราจะต้องเจอกับภาวะต่างๆมีเจรเรนั้นมีเสื่อมเป็นธรรมดาขอเราอยู่ในยุคที่ไม่มีสงครามแล้วก็มีเศรษฐกิจที่ดีเจริญนุ่งเรียงมีแต่คนเกิดคนตายก็มีน้อยแต่ทั้งนี้ความตายของมนเกิดมันมีอยู่ทุกวันเพียงแต่เราไม่ได้ปคิดถึงมันเองแถ้าเราคิดถึงกฎอนิจจังแล้วเราก็จะเห็นว่าจะมีสงครามไม่มีสงครามก็มีคนตายทุกวันมีคนเกิดทุกวัน เราการิดและความตายมันเป็ของกู่กันเกิดเท่าไรก็ต้องตายเท่งนั้นนะเพียงแต่ว่าจะตายจะตายในขณนะไหนเวลาไหนอาจจะมาตายพร้อมกันเยอะหน่อยในช่วงสงครามไม่ใช่กดอนิจจังคิดถึงกฎตายแล้วแล้วเราจะได้ยอมรับได้แล้วเราตายเราก็จะไม่ทุกข์ที่เราทุกข์เพราะเรามองไม่เห็นกฎมันตายนแล้วเ ร, เราอยากให้มันไม่มีใครตายกันเราอยากจะให้มีแต่ความเจริญอย่างเดียว แต่เรในร่างยศสาเสืออย่างนี้ไม่มีไม่มีใครแก่เจ็บตายพอเรามาเจอกับความเสื่อมของร่างยศสารเสริญเจอกับความเสื่อมของร่างกายเราก็รับไม่ได้เพราะว่าเราไม่เราไม่ได้เข้าใจหลักของทวงตายรักว่าเป็นอย่างไรถ้าเราพิจารณาตายรัอย่างยี้เรื่อยเราจะรู้สึกเฉยเฉกับเหตุ ก, การณ์ต่างๆที่เกิดขึ้น คุณแอนถามว่าใส่ชุดนอนสวดมนต์ก่อนนอนได้ไหมครับล้วคุณไม่ใส่ก็ไส่เลดีก็่ไม่ใส่ก็แล้วันใส่ได้ใส่ชุดไหนก็ได้การแต่งตัวถ้าเราอยู่ในที่เป็นส่วนตัวเราจะแต่งยังไงก็ได้แต่ถ้าเรามีอิริยาบถแบบมีความเรียบร้อยความ อยากจะถึงแม้จะอยู่คนเดียวเราก็ยังอยากจะแต่งตัวให้เรียบร้อยเวลาที่เราทํากิจทางศาสนาโดยเฉพาะการเสิร์ฟมือนั่งสมาธิถือว่าเป็นกิจที่สูงกิจที่ผู้ที่กระทำคนที่ยังมีความเคารพเป็นเป็นต้นแตกายมาชุดขาวหวืออะไรก็ไนดะ้ถ้าถ้าถ้าอยากจะแต่งนะงไม่ไม่อยากจะแต่งก็ไม่เป็นประเด็นสําคัญอะไรแต่งกายตามปกติชุ่ดนอยก็ไนดะ้ชุดทํางานก็ไนดะ้ชุดอะไรก็นะดได้นะ จากหนุ่มน้อยครับคนที่แก่แล้วถือศีลปฏิบั ต, ติแต่แต่งรูป AI สวดสวยสาวให้คนดูผิดศีลหรือหลอกลวงไหมครับมันก็อยู่ที่เจตนาว่าเราต้องการจะหลอกเขาหรือเปล่าถ้าทําเพื่อเหมือนกันว่าเป็นการสนุกสมัยนี้แล้วก็มีอะไรของแปลกๆก็มาโชว์กันให้รู้ว่าสมัยนี้ทําอย่างนั้นทำนี้ได้มันก็ไม่ถือว่าเป็นการหลอก เป็นทุกใจกับทหารที่เสียชีวิตอยากจะขอข้อธรรมะเพื่อบรรเทาทุกข์ครับก็เนี่มันที่กลับไปแล้วว่าเราอยู่ในโลกของอานิจจมีเกิดมีแก่มีเจ็บมีตายมีเจริญมีเสื่อมมีเกิดมีดับเป็นธรรมดาเมื่อถึงวาระของใครจะต้องดับมันก็ต้องดับคนที่ไม่ได้ไปสงครามไม่ได้เป็นหารก็ตายอยู่ทุกวันเในเพ่ไม่เป็นข่าวนะมันยินคนที่ตายในวันนี้ที่ไม่ใช่เป็นทหารนี้เยอกว่ทหารเป็นหลายร้อยเท่า เคยมีสถิติไม่มคมาคนไายตายละวันละกี่คนเงี้ยอ๋อผมตอนนี้นึกไม่ทันครับอาจารย์ครับ้งเป็นทันมันเป็นเหมือนึ้นไปแน่ๆใชแ่แต่จากแต่จากโรคเลื้อรังนี้ปีหนึ่งก็สี่แสนกว่าแหละครับพวกโรคความดันไข ม, มันเนี่ยปีละ ส, สี่แบบที่ไม่แที่ไม่เป็นโรคแบบที่หัวใจวายปัจจุบันทันเดือดอุบัติเหตุรือหดอายุไ ข, ขมันตายอยู่ทุกวันเนี่ยเพียงแต่ไม่เป็นขา่าว เราได้ยินข่าวคนตายเป็นหานทั้งเจ็ดแปดคนนี้หัวใจก็วายไปแล้วนะดั้นต้องศึกษาคําว่านิจจ์คาว่าตายรักนี่สำคัญถ้าเราเข้าใจกดตายรักแล้วเราจะไม่ทุกข์ที่เราทุกข์เพราะเราไม่เข้าใจเราไม่คิดไปในทางตายรักเราคิดไปในทางตรงกันข้างมกับตายรักก็เราเชื่อเราจะอยู่ด้วยกันไปตลอดไม่มีวันจากกันไป ดูข่าวสู้รบชายแดนคล้ายๆกันหมดนะครับใจขุนมัวมากผมใจนั่งภาวนาก็แล้วพอเห็นข่าวก็ขาดสติอีกจะปิดทีวีใจก็อยากดูครับผมควรทําอย่างไรดีครับมันน่ะปัญหากี้เหร่มันยังอย่างรู้อย่า ง, ง, งดูอยู่ถ้าอยากจะดูต้องดูด้วยปัญญาสิต้องดูด้วยตายนะทุกคนเกิดมาแล้วก็ต้องตายตายก่อนตายหลังตายที่ที่สมองรอดภูมิตายที่บ้าน ันตายได้ทุกแข่งทุกคนคุณสมพรครับกลับมาจากกรุงเทพโถชักโครกสำรุดน้ำไหลทิ้งในช่วงที่ไม่ได้อยู่ไปกรุงเทพมาสองวันต้องจ่ายค่าน้ำที่ไหลทิ้งจากชักโครกราวกับน้ำตกเขื่อนพังอธิบายทางธรรมได้ว่าอย่างไรดีครับอาจารย์ก็นีจจังของชักโครกมันไม่เที่ยงมันเสียได้ ช่วงนี้ดูแต่ข่าวชายแดนไม่มีสตินั่งสมาธิขาดสติทำอย่างไรครับก็อย่าดูมากเกินไปดูอพอให้รับทราบสักสิบนาทีก็พ อ, พอแล้วว่าเหตุการณ์ไปถึงไหนนะแล้วก็ ป, ปิดมันเสมันก็จะได้ดมีัวาใจนะ้อมากเปนไปมีคุณแม่ท่านหนึ่งบอกว่าลูกอยู่ชายแดนสีสะเกดเป็นห่วงมากครับมีความทุกข์มากครับจะต้องทาอย่างไรครับต้องคิดถึงแตรับ หน้าตาสเป็คนร่างกายเป็นสิ่งที่เราไม่สามารถควบคุมันครับและสั่มันได้ว่าไม่ห้มันไม่ตายตอนนี้หรือตอนนั้นมื่อถึงเวลามันจะตายเราไม่มีใครไปสามารถไปชัมันได้ห้ามมันได้ไม่รอดยังอยู่ชายแดนนั้นไม่อยู่ชายแดนก็ตามเป็นอย่างที่เมื่อกี้พูดเนอะมองมอง้องโลกหนึ่งกว้างโลกหนึ่งคนที่ตายที่ไม่ได้อยู่ในชายแดนน้อยกว่าคนที่ไปตายที่ชายแดนอันยิ่อะหญ่ พรุ่งนี้ลูกจะต้องไปฟังผลเลือดที่สำคัญที่สุดลูกจะทำใจอย่างไรดีครับก็ยินดีตามมีตาเกิดมันจะเป็นยังไงก็ต้องยอมรับความจริงถ้าเลื่นไม่ดีก็ยอมรับความจริงแค่ดีจะได้รักษาไหมถ้าแก้ได้ก็แก้ไปถ้าแก้ไม่ได้ก็เตรียมตัวตายไปก็มีเท่านั้นแนะ่ะท่านี้ถามเรื่องการกวดน้าครับอาจารย์เมื่อเราไหว้พระหรือทาบุญแล้ว เรากรวดน้ําโดยไม่ได้เอ่ยชื่อของพ่อหรือแม่ได้ไหมครับก็ถ้าเราไม่เอ่ยชื่อผู้ที่รับเราก็ไม่รูเราส่งไปให้ใครเราต้องพูดในใจเราจะไม่จะเป็นชื่อก็ได้เป็นชื่อก็ได้หรืเป็นพ่อคุณพ่อเป็นได้เป็พกอบก็ได้ถ้าเราจําชื่อคุณพ่อไม่ได้จำชื่อคุณแม่ไม่ได้ก็บอกเขาทิ้งุ่นนี้ให้คุณพ่อคุณแม่ก็ได้เพื่ออยงอย่างนั้นต้องรู้ว่าใครเป็นผู้รับเราจะส่งไปให้ใครนี่มันบุตรบัสนิพุทธเจ้าไปส่งให้ใคร จากคุณย่าครับการเบนถามครับข้อเทวตานุสตินั้นจะหมายถึงบิดามารดาและบรรพชนผู้ล่วงลับด้วยได้หรือไม่ครับถ้าเขาเป็นเทวดาก็ได้ถ้าเราไปเกิดเป็นเทวดาก็อะไรทั้งข่าวห้การที่เราเปิดบทสวดมนต์ฟังก่อนนอนนี้เราได้บุญไหมครับคือบุญนี้ มันต้งคือความสงบถ้าใจไม่สงบมันก็ยังไม่ได้ดุคุณซินดี้ครับพระพุทธเจ้ามีสอนเกี่ยวกับการเป็นเจ้านายที่ดีไหมครับใช้หลักการปกครองอย่างไรและอะไรบ้างถึงจะพอดีครับที่ผ่านมาอยากให้ทุกคนมีความสุขแต่หลังๆรู้สึกลูกน้องจะเรียกร้องมากขึ้นไม่แน่ใจสปอยลูกน้องมากไปหรือเปล่าครับ ผมไปค้นหาดึงทศพิษราชธรรมเนคือคุณธรรมสิทธิประการของผู้ปกครองตั้งแต่พระเจ้าเป็นเดินลงมาใครเป็นผู้ปกครองนีไ่ไปสปิดดูมีคุณสมบัติสิทธิประการด้วยกันคือมีจาระมีมีอะไรอะโกรธะไม่โกรธอะไรอย่างนี้เป็นต้นจำไม่ได้แล้วเราไปค้นดูทศพิษราชธรรมสิทธิประการ คำที่ผู้ปกครองควรจะมีไว้ถ้าอยากจะเป็นผู้ปกครองที่ดีคุณนัตพันธ์ครับบอกว่าโยมเพิ่งจะกลับจากปฏิบัติธรรมครับอยากจะถามผูา้อาวาุโสว่าช่วงเช้าตอนตีสามครึ่งตอนตื่นนอนเห็นรูปโครงกระดูกผุดขึ้นมาอย่างนี้เกิดจากอะไรครับเรอย่าไปสนใจว่ามันเกิดจากอะไรให้เราสนใจว่าเราจะทํำยังไงกําเนิดดีกว่าครับ ถ้ามันเป็นครงกระดูกถ้าเราต้องการจะนึกต่อก็เอมันึกต่อไปเพื่อที่เราจะได้เห็นความจริงของร่างกายของคนทุกคนว่าที่ทท้ก็คือหลังหุ้มกระดูดีๆนี่อันนี้เพื่อดับความหลงเพื่อดับความการมร า, าคาตหน้าเท่าแห่งโครงกระดูกของคนคุณออนครับถามว่าสวดมนต์ให้ผู้ป่วยสมองเสื่อมฟังผู้ป่วยจะได้รับผลบุญหรือไม่ครับ ถันจิตเขาสงบจากการสวดของเราแล้วก็ได้คุณพีซครับคนที่ผิดศีลต่างข้อกันจะฝันร้ายต่างกันไหมครับโอ้ยอนี้ต้องขออภัยหนึ่งมันไม่เกเินไปที่เราจะตอบได้ คุณวราวุฒิครับถามในข้อมงคลสามสิบแปดประการนะครับข้อที่ว่านิพพานสัจจิกริยาจะเอตัมังคลมุตตมังท่านให้ปฏิบัติอย่างไรครับก็ทำนิพพานให้แจ้งให้ปรากฏขึ้นมานิพพานก็คือจิตที่สารโดยส่วนที่ปรสศจากกิเลสตันหาความโลภความอยากต่างๆนี่ก็คือนิพพานก็ต้องปฏิบัติทานเสียงภาวนานไป <c oughs> คุณรัตวัรณครับการสวดมนต์ต้องแผ่ส่วนบุญที่เราทําให้คนอื่นๆหรือไม่มีบางท่านกล่าวว่าถ้าไม่ได้แผ่ส่วนบุญจะไม่มีเทวดามาช่วยเหลือเราครับไม่ไม่รู้นะความจริงการแผ่ส่วนบุญนี่การอุทิศบุญนี่นะมักจะใช้การทําทานเพราะนี่คือคําสอนของพระเจ้าท่านสอนอย่างเดียวถ้าอยากจะอุทิศบุญให้ผู้ร้องนะพวกเรให้ทำด้วยการบริจากทาน ทานไปไม่ได้สอนให้บุตรบุนด้วยการสวดนมน์ด้วยการรักษาศีลด้วยการปฏิบัติ ท, ท่านแต่อย่างไรให้ทับทานจากโดยจากเข้าของเงินทองคุณมลงถามครับอาจารย์บอกว่าเทวานุสติจะขาดกับนัตทิเมสรารนังอัญงพุโทโธธรรมโมสังโฆเมสรารนังวะรังไมครับไม่ขัดหรอกเราไม่ได้ไปถือเข้าไปในใจเนาะ เราเพียงแต่เราเครื่องสายศรัทธาว่าเขาเป็นคนดีเป็นเทวดาเป็นเทพเป็นายอดของเราเนี่ยได้อยูแต่เราอย่างถือคําสอนของพระเจ้าเพราะบุนพระธรรประสงค์เป็นหลักอยี่ยถ้าคําสอนของคนอื่นคันหลักกับคำสอนของพระบุญพระธรรมประสงค์เราก็จะไม่เชื่อเราไปโรงเรียนได้เนี่ยเราไปรเรียนหนังสือที่โรงเรเียน อ, อาจารย์เขสอนวิชาการกตา่างๆซึ่งวิชาการเหล่านั้นมันไม่ขาดคาหลักธํามขอสอนก็ก็เรียนได้ดูได้ คุณคิตตี้ครับบอกว่าเราควรจะอธิษฐานคิดอย่างไรตอนก่อนนอนครับมันเบื้องต้นต้องเข้าใจคาว่าอธิษฐานก่อนคำว่าอธิษฐานที่แท้จริงแปลว่าความตั้งใจตั้งเป้าว่าเราจะทำอะไรไม่ใช่อธิษฐานเพื่อขอให้ได้สิ่งนั้นสิ่งนี้อันนี้ไม่มีในพระพุทธศาสนาการขอไม่มีมีแต่การกระทำ เราจะก่อนนนเราจะตั้งเป้าว่าขอให้ได้ทำาุนทำทานรักษาสินภาวนาไปทุกวันอย่นี้อธิษฐานแบบนี้ได้เพื่อพรุ่งนี้พอเราเตื่นขึ้นมาเราจะได้ทำทานได้รักษาสินได้คุณปุณพพาครับขอให้หลวง อ, อ่อนิปคำถามครับเคยนั่งสมาธิแล้วเห็นตัวเลขขึ้นตรงสะดือแล้วก็ไปซื้อลอตเตอรี่ถูกเลขท้ายสามตัว ต่อมาลูกฟังหลวงพ่อกลัวเวลาตายไปจะไปอบายลูกเห็นตัวเลขก็ไม่ซื้อได้แต่ดูเฉยๆเพราะนึกถึงความตายทุกขณนาดจิตว่าจะไม่โลภไม่หลงเป็นลูกพระพุทธเจ้าต้องตัดกิเลส ข, ข้อนี้ลูกทำถูกไหมครับถูก็ล้อันนี้การไปเรื่องการพ น, นันมันก็เป็ น, เ ป, นเป็นอบายมุกเดี๋ยวไม่ชายเขาแลวมันก็จะทำให้เราไปทำบาปต่อได้ ถ้าพิจารณากายแล้วแต่ยังอยากสวยงามอยู่รู้แต่ยังหลงอยากอยู่ยังรักสวยรักงามก็ตะกิดตะขวงใจครับจะวางใจต่อไปอย่างไรดีครับก็วเวลาไม่สวยขึ้นมามันจะทุกข์นะเมื่อก่อมีแผลเป็นมีอะไรมีสิวมีฝ้ามีตำเนะอยู่ที่ใบหน้าก็จะทําทให้ใจไม่มีความสุขชีวิไม่มีความสุขเมื่อเห็นหน้าตาของตนที่ไม่สวยงนาะ คุณวรทินครับวันนี้ผมไปงานพระราชทานเพลิงศพคุณแม่เพื่อนและได้พิจารณาศพตอนเข้าเปิดโรงศพก่อนชาปนากิจศพเป็นการโปรงอสุภะหรือเปล่าครับเการโปงรงงานวนสติอสุภะก็ได้แล้วแต่เราจะมองไปยังไงถ้าอสุภะเราก็ต้องคิดถึงคนที่เรารักเราชอบว่าต่อไปหน้าตาว่าก็จะเป็นอย่างนี้เวลาที่เขาตาย ยึดโป่งว่าเขายึดร่างกายว่าวันหนึ่งก็ต้องตายเป็นสร้างสมแบบแบบคนที่เราเห็นในวันนี้ก็แล้วแต่เราจะโร่งแบบไหนโร่งเป็นอสุภะก็ได้มองเป็นอสุภะก็ได้มองเป็นความตายก็ได้พระอาจารย์ครับที่บ้านตานี้นอกจากศพของแม่ขององค์หลวงตาแล้วที่เผาตรงวัดป่าบ้านตานี่มีศพอื่นๆด้วยไหมครับอาจารย์ครับที่ัาใกล้ก็มีศพเยอะที่ที่เขาที่วัดปาบ้านตา ตัง น, นั้นก็ท่ามิตรก็ไม่ไม่ค่อยมีใครตายในตอนนั้นตอนที่เราอยู่ก็ไม่มีใครตายครับผมแล้วก็ไม่ทําพิธีให้ด้วยคือก็อเลยไม่มีใครมาเอาศพมาที่วัดเลยใช่ไหมครับอาจารย์วมาชิวัดเขาไม่รับศพอย่างนี้ไม่มีเ ไ, ไม่มีอะไรว่าปฏิบัตินี้จะไม่ทําพิธีกัรมบูรณะสังสวร์ถูกต้องครับผมแต่ถ้าพระในวัดตายก็มีพิธีขึ้นมาในวัดใช่ไหมครับอาจารย์ เออท่าที่เราอยูตอ น, นั้นไม่มีไม่มีการตายก็ยไม่ทราบามีหรือเป่าคุณนัทธพันธ์ครับบอกว่าตอนนั่งสมาธิมีอาการคันครับจะต้องทําอย่างไรได้บ้างครับถ้าอยากจะนั่งต่อเลยที่เราจะให้ให้ใหได้ได้กล่าวหน้าจะเพื่อให้จิตสบงบเราก็ต้องไม่สนใจกับอาการคันปล่อยให้มันคันไป เราก็ให้ปลุกใจไว้อยู่กับคำบริการณพุโทโธพุทโธไปเรื่อยๆนกว่าใจหายคันขึ้นมาถึงไม้ความคันจะมีอยู่แต่ใจหายค ว, ความอยากที่จะให้มันหายคันมันหายไปเราใจไม่เดือดร้อนกับความคันใจก็สงบลงถูงอีกระดับหนึ่งใส่บาตตอนเช้าด้วยปัจจัยครับบาปไหมครับไม่บาต เรื่องขับรถเดินทางไปยังจุดหมายไม่หลงทางไม่เกิดอุบัติเหตุขับแล้วไม่โมโหคันอื่นที่ผิดกฎจราจรมาปาดหน้าถ้าขับได้ดีไม่โมโหไม่เกิดอุบัติเหตุแปลว่าใช้สติสมาธิได้ดีแบบนี้เข้าใจถูกไหมครับใช่คนที่มีสติมีปัญญาเขาต้งจะไม่มีอารมณ์โกรธใครง่าย ซื้อสลากออมสินสลากทกศหวังว่าจะถูกรางวัลแบบนี้ถือว่าเป็นการพ น, นันหรือเปล่าครับอาจารย์มันเป็นการเป็นการลงทุนในการเพื่อยะลงทุนระยะยาวให้ข้อขาตอบแทนที่ยไม่แน่นอนครับทจก็ได้เขาบางทีก็ได้ผลตอบแทนบางทีก็ไม่ได้ผลตอบแทนเพราะเราไม่ได้มานั่งเลยอยู่ทุกวันทุกวัน การพนันเรื่อหมายันเข้าบ่ยแล้วก็เล่นมันทั้งวันอย่างเงี้ยเป็นการขนานแบบนี้เขาไม่ให้ทําแต่ถ้าซื้อแบตเตอรี่ใบสองใบเรื่องอะไรทำนองนี้มันไม่ไม่ได้เป็นการพนันถ้ามันเม็การเสี่ยงโชคก็ได้เรื่องเป็นการทําบุญก็ได้เวลที่เราซื้อแบตเตอรี่มาเราก็เอาไปช่วยเหลือสังคมต่อไปไม่ใช่อเป็นการทําบุญไปเสี่ยงเสี่ยงโชคไปก็ได้ สลากออมสินนี้เงินต้นยังอยู่เลยนะครับ อ, อาจารย์เงินต้นอยูงเพียงดอกอาจจะไม่ได้ดอกครับผมถ้าไม่ถูกก็ดอกก็คือเงนที่เราที่ได้เป็นรางมันนี้ก็เป็นดอกดอกของคนเลยมาแมาสัมผัสคนที่ไม่ใช่ดอกครั บ, ค, รบคุณแอลครับอายุ42ปีครับอยากจะบวชชีแต่อีกใจก็กลัวว่าบวชแล้วจะไปไม่รอดครับอยากจะขอคำแนะนํำจากพระอาจารย์ครับ ก็ถ้าไม่ลองก็ไม่รู้อ่ะทํำไมต้องกลัวไม่รอดไม่รอดก็กลับมาอยู่ไม่รอดก็ออกมากอนก็ได้ถ้าไม่ทําำก็จะไม่รู้คุณปาริชาติครับตอนนี้การปฏิบัติของหนูเริ่มนํามาประยุกต์ใช้กับชีวิตประจําวันได้แล้วครับในหน้าที่การงานมีตําแหน่งบริหารซึ่งมีงานมากในทุกด้านแต่ก็ไม่รู้สึกเครียดครับ ค่อยๆทางานไปให้ละเอียดเป็นอันดับแรกก่อนแต่มีคำถามเรื่องสุขภาพตั้งใจรักษาสุขภาพและร่างกายแข็งแรงดีจึงตัดสินจะตัดใจไม่ไปตรวจสุขภาพประจำมาสี่ปีแล้วคิดไว้ว่าถ้าป่วยก็จะไปหาหมอตามปกติแต่ตั้งใจจะไม่ไปตรวจสุขภาพเพราะบางครั้งทำให้ฟุ้งซ่านได้อย่างนี้สุดโตกไปหรือไม่ครับก็ไม่รู้แล้เราก็ไม่เคยไปตรวจั้ง่ดเวมาสีิ 50, ปีห้าสิบปีไม่เคยไปตรวจว่า หัวใจดีไหมอะไรดีไหมนอกจอากว่ามีการตรวจเลือดปีละครั้งเลือดน้องเลือดไปตรวจท่านี้นอกจากนั้นก็ไม่ได้ไปตรวจหลันะกการหมอเขาชวนไปเรื่อยหมอเขาสงสัยท้าบัวมัน จ, จะเป็นหัวใจหรือเปล่านึงจะให้ไปตรวจหัวใจตราไม่เอาไม่ต้องเป็นอยู่ได้เป็นปกติก็อยู่กันไปครับถ้าเราคิด ปร a มา a คนอื่นทั้งที่เราก็ไม่ได้ดีกว่าเขาหรือว่าแย่กว่าเขาด้วยซ้ำแต่ใจก็นึกไปห้ามไม่ได้พอรู้ตัวก็คิดจะเป็นการทำให้เราทำกรรมฐานไม่ขึ้นหรือเปล่าครับมันก็เป็นนะมันฮะ <c oughs> มันก็เป็นความคิดที่ไม่ดีเป็นอกุศลถ้าเป็นไปได้ก็อย่าไคิดดีกว่าตัวใครตัวมันใครจะดีใครจ ะ, ะชื่วกัเรื่องเขาไป ถ้าจะอยู่บ้านแล้วบวชเนกัมมะได้ไหมครับอาจารย์ได้บวชบวชที่ไหนก็ได้ปฏิบัติที่ไหนก็ได้เพียงแต่ว่าสถานที่ปฏิบัติที่อาจจะดีไม่ดีเท่ากันถ้าไปอยู่วัดนะ่า จ, จะดีกว่า <c oughs> ขอ <c oughs> คุณพัชรีครับ พื้นฐานอนุสติสิทธิที่ทุกคนควรมีและเป็นพื้นฐานสําคัญในการใช้ชีวิตครับก็ในอย่างที่อธิบายตอนต้นวก็ใช้กายอตาสติคือดูเข้าดูร่างกายในนระหว่างวันตั้งแต่เราเกิดขึ้นมาผูกใจไว้อยู่กับร่างกายไปหรือผูกใจให้ให้กับอยู่กับคำบาลิกรรมไปไม่ว่าเราจะทําอะไรก็ให้มีคาบาลิกามขับขับใจไปด้วยอันนี้ก็เป็นพื้นฐานของการเจริญสติ คุณโฟนครับการมัธยการถามครับความกลัวผีผีปลอมควรจัดการกับความกลัวอย่างไรผีจริงอย่างไรครับอาจารย์พีปลอมมันเกิดจากความคิดปรุงแต่งของเราเองเวเราอยู่ที่ไหนเงียบๆแต่ใจมนันเริ่มหลอกแล้วเอ๊ะมีนู่นนี่มั้งพอได้ยินเสียงกระทบหลังคาอะไรก็ผีมานะ เห็นใบไม้ไหวเนี่ยก็ผีมาแล้อันนี้เป็นความคิดปรุงแต่งของเราอวิธีแก้ก็คือหยุดความคิดปรุงแต่งพยายามเจริญสติให้อยู่พุทโธพุทโธเอามันจะไปปรุงแต่งแล้วก็จะกลับมาอยู่พุทโธพุทโธมันก็ไม่มันก็จะไม่สามารถมาหลอกเราได้แล้วผีจริงเหรอครับอาจารย์ผีจริงเขาก็อยู่ของเขาไปเคยช่อยตพัฒนาภูมิของเขาเป็นส่วนใหญ่ ถ้าเราไม่มียานเราไม่สามารถจะติดต่อเขาได้ต้องมีต้องมีอุปจารสมาธินี้มีมยานที่สามารถติดต่อกายทิพย์ได้เราถึ ง, างสามารถที่จะติดต่อเขาได้เรียนสอบถามเรื่องขับรถครับถ้าไม่อัอนนี้มันถามไปแล้วขับซ้ำ ค, ครับคุณติเล็กครับ เป็นโรคกระเพาะครับจะถือฝีนแปดได้อย่างไรครับก็่อยาถือมันถือไม่ได้ไมอยากจะถือข้อที่สองครับพระฉันมื้อเดียวทําไมไม่เป็นโรคกระเพาะบางทีอดหานสองสามวันทําไมไม่เป็นโรคกระเพาะครับเพราะมันไม่ได้เกิดจากการอดหานเะนี่ยโรคกระเพาะมันเกิดจา ก, กาอย่างอื่นนะ คุณเด่นครับบอกว่าเป็นโรคภูมิแพ้เ อ, อเป็นโรคภูมิคุ้มกันบกพร่องใช้ลมหายใจบำบัด ต, ตอนนี้สามารถที่จะอยู่กับเจ็บได้ครับและเป่าลงทุกครั้งที่ปฏิบัติครับอาจารย์อ่งเราใช้ธรรมะอุปสมบทใจให้เนื่องอย่าไปมีปฏิกิริยาตอบโต้กับอาการของร่างกายต่างกามันก็จะไม่ไม่ไม่ลงงานขึ้นกันได้เราไปโต้อตอบมันมันยงไปกระตุ้นให้มันเกิดอาการที่ลงงานขึ้นกว่าเดิม การที่เราบริจาคเงินเพื่อช่วยซื้อดโดรนให้ทหารในการสู้รบกับขมຈ์อย่างนี้เป็นบาปไหมครับไม่บาปเราเงินที่เราเสียภาษีเขาเอาไปซื้อปืนซื้ออาวุธเชื่ต่างๆมาเพื่อามมาป้องกันประเทศถ้าเราตั้งใจจะสวดมนต์ทุกวันแต่บางวันเกียรติคร้านจะถือว่าเป็นมุสาไหมครับและเป็นบาปไหมครับเราไม่ได้ไป บอกใครว่าเราจะสวดแล้วก็มุสาถ้าเราไปบอกคนนั้ น, นี้ว่าจะสวดบนทุกวันนี้พอเราไม่สวดแล้วก็มุสาได้คุณจิละวันครับถ้าเราหมั่นเจริญสติแต่ยังไม่สามารถเข้าถึงกระแสโลกุตระธรธรมในชาตินี้เราสามารถอธิษฐานจิตขอให้ชาติหน้าเกิดมาพบพระพุทธศาสนาได้อีกไหมครับขอไม่ได้อธิษฐานยังไม่ได้มาพระว่าขอ อีิษฐานในความความตั้งเป้าหมายของการกระทาของเราซึ่งบางอย่างเราก็ไม่สามารถที่จะไะกำหนดได้อย่างศาสนาพุ่ง ม, มันมีเห็นมีปัจจัยที่ทำให้มันเกิดขึ้นมาถ้ามันไม่มีเห็นมีปัจจัยมันก็ไม่เกิดต่อให้เราอธิษฐานของนี่ยงมันก็ไม่ได้อันนี้มันขึ้นอยู่กับเหตุปัจจัย โยมอยากพัฒนาการปฏิบัติให้มีความรู้ตัวแบบออโต้จะฝึกฝนตนเองแบบไหนได้ดีขึ้นบ้างครับก็นนี้น่ฝึกพุโทโธไปทั้งวันเหรือเฝ้าดูการเคลื่อนไหวของร่างกายทุกเรียบอยากจะรักษาศีห้าให้ครบครับแต่ยุงกัดจนตัวเองเคยป่วยจำเป็นจะต้องตียุงทำยังไงดีครับ ก็พยายามมีข้องเครื่องป้องกันไว้ทาน้ํายา ก, กันอะไรหรือว่าอยู่ในห้องที่ไม่มียุงถ้าอยู่ส้านอที่มียุงล้วก็อย่านั่งเฉยๆเราก็ต้องมีการเคลื่อนไหวหรืออาจจะถือพัดหรือถืออะไรไว้อันหนึ่งพอมีอยุงมาก็พัดไล่มันไปอย่ไปถึงก็ต้องไปฆ่ามันเลยได้มันได้ได่มันไปได้ได อาจารย์ครับเดี๋ยวนี้มีเครื่องที่ดักมแมลงแบบอัตโนมัติเอามาตั้งไว้อย่างนี้ถือว่าผิดศีลไหมครับจะทาให้มันตายก็คืออเดียครับมีเพื่อนนับถือศาสนาพุทธภันรยา น, นับถือศาสนาคริสต์เวลาเสียชีวิตแล้วนําไปมิสซาหรือฝังแบบคริสตจะเป็นอะไรไหมครับและวิญญาณจะไปทางไหนครับเออมันวิ ญ, ญญาณไปไปทางบุญไปทางบาป ท, ที่ได้ทำไว้มนไม่เกี่ยวกวับพิธีศพอะไอย่างไงไม่มีพิธีศพไม่ได้ ตายแล้วมาพยานโรงพยาบาลเป็นไรก็ได้ต้องการจะถือศีล8ที่บ้านสักหนึ่งวันหรือสามวันครับจะต้องทําอย่างไรดีครับที่บ้านมีห้องพระนะครับก็ อ, อยู่ตามปกติเพีงแต่ว่ารักษาศีลตามที่เราได้กํำหนดไว้เท่านั้นเองไม่ดูหนังฟังเพลงไม่กินอาหาราจากเที่ยววันไปแล้วไม่นอนบนที่นอนที่มีฟูกหนา เป็นต้นนั่นก็ไม่รื่องแบนอนกับแฟนสวดมนต์ข้ามปีเป็นสิ่งจำเป็นหรือไม่ครับคุณต้องสวดข้ามคืนถึงจะถูกให้สวดทุกคืนไม่ใช่สวดเฉพาะ <c ười> <c ười> คืนคน้นปีคืนเดียวจำเป็นว่าการสวดมนต์จะทำให้จิตเรามีสลาีิมากขึ้นมีความสงบมากขึ้น บทชีแล้วถือศีลอยู่บ้านเลยได้ไหมครับได้ถือศีน่ที่ไหนก็ได้ไม่ได้อยู่ที่สถานที่ศีนอยู่ที่ใจเวลานั่งสมาธิผมสังเกตตัวเองเวลาจิตหลุดออกไปจากลมส่วนมากจะไปคิดเรื่องงานครับแบบนี้ผมควรปล่อยวางงานหรือทำงานให้น้อยลงใช่ไหมครับหากหวังที่จะพัฒนาสมาธิหรือมีวิธีอื่นอีกครับ ถูกต้องถ้าเราไปเกี่ยวข้องกับอะไรเราใจเราก็จะคิดถึงเรื่องนั้นมากขึ้นมากถ้าเราไม่อยากใจไม่ให้มันจะคิดถึงเมื่อไอะไรก็อยากไปทํางานเลยถ้าเป็นไปได้ไปบวชเยอะไปอยู่แบบนักบวชหนึ่งทำบุญพ่อที่เสียหนึ่งร้อยวันคุณพ่อจะได้รับไหมครับน้าแต่ว่าท่าเนเป็นเปรตหรือเปล่าถ้าท่านเป็นเปรตท่านก็นนจะมารับช่วยบุญเนี่ย าไม่เป็นเปรตาเป็นเทพแล้วท่านก็ไม่ทำารับส่วนคุณแคทครับในวัย60เลือกใช้ชีวิตอย่างสงบไม่ชอบสังคมไม่ได้ค่อยได้ไปไวัดจะเคยทำทานมากแต่พอมีข่าวเสียหายเรื่องเงินของวัดก็เลยมาเน้นเรื่องศีลปฏิบัติทำสมาธิอยู่ที่บ้านสองรอบรอบละสามสิบนาทีฟังธรรมประกอบกับการหยุดอยากตามที่พระอาจารย์สอนทำให้ชีวิตสงบมากขึ้นจะต้องทำอะไรเพิ่มเติมไหมครับ เราก็ทํำมากขึ้นทําแต่ห้าเราสามารถทําได้ทั้งวันทั้งคืนยกเว้นเวลาหลับถ้าฟังอุปกิเลสสิบหกข้อและเมตานิสังสะทุกคืนจนเวลาปกติคําผุดขึ้นมาบ่อยๆเอามาเป็นกรรมฐานได้ไหมครับอันนี้ก็เป็นกรรมฐานาในตัวมันธรรมานุสติแล้วฟังบทสวดสวนมนต์เราเองมันก็เป็นธรรมานุสติ คุณปวริดครับเราสามารถจะต่ออายุไขได้ไหมครับคือมันก็อยู่ที่เหตุปัจจัยการแพทย์อย่างนี้ก็สามารถต่ อ, อยุคนได้เป็นโรคไยอาหารไตามาเปลี่ยนได้ก็ต่ออายุได้แต่วางอาชีต้องมีปัจจัยที่จะทําให้เป็นไปได้ปัจจัยหลักก็คือเงินทอง ถ้ากาแฟหอใหญ่มีสิบห้าหอเล็กมีจำกัดเวลาอยู่ต่างจังหวัดจะแบ่งให้โยมให้พระให้ชี่ได้ไหมครับอาจารย์จะให้ใครก็ได้นะเวลาที่สวดมนต์บางครั้งมีอาการง่วงทำให้สวดมนต์วนไปวนมาครับจะแก้ไขอย่างไรดีครับการง่วงก็คือเราไปสวนเวลาที่เราอยากจะนอนอย่าไปสวดตอนที่เราอยากจะนอนสวดตอนที่ก่อนกินข้าวอย่างนี้ อานั้มันหิง ม, มันจะไม่ม่วงการเตรียมพร้อมรับความตายต้องมีอุเบกขาปล่อยวางความอยากทั้งหมดไม่ยึดติดร่างกายใช่หรือไม่ครับใช่ถ้าปล่อยวางได้เราก็จะไม่ทุก คุณปัทมาครับบอกว่าถ้าสวดมนต์แต่ว่าไม่รู้ความหมายของบทสวดอย่างนี้จะได้บุญอยู่ไหมครับถ้าสวดแล้วใช้ใจให้สงบไม่คิดปรุงแต่งก็ได้ได้สมาธิได้บุญทิ่กิดจาความสงบแต่ไม่ได้ปัญญาถ้าฟังแล้วเข้าใจแล้วก็จะได้ปัญญาอันนี้เป็นบุญอีกอย่างหนึ่งเป็นสมาธิทิคุณอิมมี่ถามว่าถ้าไปเรียนอภิธรรมได้บุญไหมครับ ก็เป็นคำสาอนของพระเจ้าอย่างนึงเรียนแล้วต้องนําเอาไปปฏิบัติถึงยจะได้บุญ น, น, นิดทอดน่ดเรียนอย่างเดียวยังไม่ได้สําเร็จบุญมันมีสามขั้นต้องศึกษาแล้วนําเอาไปปฏิบัติจะกระทงได้ได้ผลถึงจะได้บุตาม กับขอปัญญาจากพระอาจารย์ในการพัฒนาตนเองข้อสัมมาวาจาตามองค์มรคครับโดยเฉพาะการระบายความในใจของตนเองกับเพื่อนครับสัมมาวาจาก็มีอยู่สี่ข้อในการไม่ให้พูดปดนะไม่ให้พูดคำหยาไม่พูดโรจรไม่้สาระแล้วก็ไม่ให้พูดยุยงให้พวกมันก็แตกสามาัคคีโกรธกันเกลียดกันกก น, นี่ก็สัมมาวาจา อาจารย์ครับแล้วถ้าเราพูดความจริงแต่คนอื่นเขาแตกกันอย่างนี้แล้วครับอาจารย์ก็ให้วนพูดถ้าย์เลือกได้ก็อยากให้พูดถวายกาแฟในชุดสังฆทานได้ไหมครับอาจารย์ได้นีความจรงชุดสังฆทานมันไม่มีหรอกเดิมทีเป็นคนที่เรามา คิดขึ้การขึ้นมาเปนกระแป้งสีเหลืองแล้วก็ใส่ปัจจัยสี่คือยอย่างส่วนใหญ่ไม่หมายถึงปัจจัยสี่ปัจจัยสามอยู่กับว่าปัจจัยกุติภนี่มันใส่ไปได้กระแป้งไม่ได้ก็มีผ้าชิ้นเล็ๆกๆเป็นกีวอนแล้วก็มีข้าวสารมีปลากระป๋องเป็นอาหารแล้วก็มีน้ำดื่มอะไรทเ้งนองนี้แล้วก็มีทู่เทียนของที่พัาใช้ไว้พักสวนบนอาคารนี้แต่ความจรจะถวายอะไรก็ได้เป็นของที่ ่ไมผิดมิดพวนัยก็ถวายได้อเอครื่่อองใช้ไมยรการที่เราคอยติดตามสถานการณ์ชายแดนเพื่อช่วยแจ้งเตือนข่าวสารสําคัญให้กับผู้ที่อยู่ในบริเวณเสี่ยงถือเป็นการทําบุญอย่างหนึ่งหรือไม่ครับไม่อยู่ว่าเราได้ข่าวสารที่ถูกต้องหรือเปล่าถ้าไปได้ข่าวสารผิดห น, นึ่งท่านนั่จะเป็นบุญแล้วกลายเป็นบาปได้ ถ้าเราไม่อยู่ในสาระที่จะรู้วความจริงแล้วก็อย่าไปยุ่งดีกว่าในเรลานี้ปล่อยให้ผู้ที่เขาเกี่ยวข้องจริงๆให้เขาไปพูเพ้เผยแผ่ความรู้ดีกว่าเวลาที่ไปวัดไหนก็ตามก่อนอื่นจะชอบอุทิศบุญให้กับสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในที่นั้นๆอย่างนี้เป็นความแปลกไหมครับอาจารย์เราไม่อุทิศให้กับสิ่งศักดิ์สิทธิ์เราอุทิศให้กับเปรตอย่างเดียว คุณปุณณาาครับสวดบทอิติปิโสเท่าอายุสวดทุกวันเกินอายุหนึ่งปีก่อนนั่งสมาธิเดินจงกรมสำหรับผู้ฝึกใหม่ทําถูกต้องไหมครับก็เป็นวิธีช่วยทําให้จิตเราสงบได้คุณปีนพี่น้องครับสวดมนต์ในใจไม่เสียงดังได้ไหมครับได้ดีเสื่อจะได้ไม่เป็นรบกวนกันเลยเนาะ ถ้ามีคนที่ทําร้ายเรามาส่องเราทุกวันจะทํายังไงดีครับอาจารย์ส่องอะไรมครัส่องอะไรอาจจะมาส่องดูในโซเชียลหรือเปล่าไม่แน่ใจครับอาจารย์ครับดี๋ยวส่องดูในบ้านไม่รู้ครับก็เป็นกรรมของเราแล้วถ้ามีนคนก็มาทำร้ายเราช่วงเวลาปฏิบัติ ทำนั่งทาวัดทําสมาธิสองสามชั่วโมงมีเวทนาปวดหลังจะวงจางใจอย่างไรดีครับอาจารย์ว่างเฉยถ้าเป็นไปได้ถ้าวางเฉยไม่ได้ก็ต้องปอยิยนบริกรรมจะนั่งเฉยเฉบริกรรมพุทโธพุทโธไปนวดส่วนมนไปก็จะช่วยบรรเทาอาการทรมานอาการทุกข์ของใจต่ออาการเจ็บป่วยของร่างกายได้ คนข้างบ้านชอบทำบุญและชอบอยู่คนเดียวแต่ทาไมเวลาโมโ oh, หทาไมด่าแบบไม่มีสติไม่มีภาพคนทำบุญเลยครับเพราะไม่มีสติการนั่งสมาธิต้องกำหนดไหมครับว่ากี่นาทีถึงจะเหมาะกับการนั่งในแต่ละครั้งครับการนั่งสมาธิค็กำหนดสติจะดีกว่าถ้าสติดีก็จะนั่งได้นานถ้าสติไม่ดีก็จะนั่งไม่ได้นาน ให้กําหนดสติให้เป็นสติดีๆแล้วจะนั่งได้นานได้ความสงบได้ผลดีการที่มีคนพูดคําหยาบกับเราเขาจะได้รับกรรมไหมครับถ้าว่าเราให้อภัยเขาไปแล้วครับการให้อภัยนี่มันเป็นการไม่จองเวรกันแต่กรรมที่เขาทํเขาก็ยังต้องรับผลของกรัมเขาอยู่ หากมีคนกล่าวว่าเราเป็นคนบาปเราจะพลิกจิตอย่างไรดีครับท่านคาับลกวท้าเขาว่าเราเป็นคนดีแล้วนเราจะทิ้งอย่างไรเราก็ต้องดูความจริงอย่าไปดูคาพูดของเขาคาพูดของเขาไม่มาเปลี่ยนความจริงของเราได้ถ้าเราเป็นคนดีเขาด่าว่าเราเลวมันก็ไม่มาทำให้เราเลวได้ถ้าเราเลวแล้วเขาว่าเราดีเราก็มาเปลีป่ยนให้เราดีได้ ให้เราดูความจริง ท, ท, ที่ตัวของเราเองคุณกีบครับเตรียมของใส่บาตรตอนเตรียมของใจเป็นกุศลแต่พอเจอพระเดินบิตาบาตมีความสงสัยว่าเป็นพระจริงไหมอยู่บ่อยครั้งแต่ก็ใส่บาตรปกติวางใจอย่างไรดีครับพระอาจารย์ก็วางใจว่าเราไม่รู้เราคิว่าท่านเป็นพระแนละ้วอย่างน้อยก็ท่านแสดงตนว่าเป็นพระ อย่าจะเป็นพาะจริงพาะแท้พ้าบอ น, นี่ก็ไม่ใช่ไม่ของเราถ้าจะให้มั่นใจก็ให้ไปหาทำบุญกับพระที่เรารู้จักว่าเป็นพนระจริงแล้วกันการทำสังฆทานเวียนที่วทางวัดจัดไว้ให้โดยถวายเพียงปัจจัยเพิ่มอย่างนี้ได้บุญไหมครับได้ได้เหมือนกัน ถ้าวันหยุดช่วงปีใหม่อยากไปปฏิบัติธรรมควรจะไปปฏิบัติที่ไหนครับพระอาจารย์ที่เราชอบที่เราเสนอที่ใกล้ที่มานั่งอยู่ที่ที่ไหนที่เรามีความสุขที่เราไปเราได้ผลดีเราก็ไปที่นั้นกราบขอพระอาจารย์ช่วยอธิบายและแนะนำการปฏิบัติแบบว่าเรายังทำงานไปด้วยครับ งานก็ส่วนงานการปฏิบัติก็แยกกัไปก็ระส่วนถึงเวลาทํางานเราก็ไปทํางานพอเวลาไม่ทํางานมันก็หาเวลามาให้กับการปฏิบัติบางอย่างเราก็ปฏิบัติควบคู่ ก, กับการไปทํางานหน้าเช่นถือศีหน้านี่เราก็สามารถรักษาศีหนได้ตลอดเวลาทําบุญทาทานแล้วก็ทําได้ถ้าเราถ้าเรามีมีเงินมีทองมีเท้ามีของเราก็อาไปบริจาค ก, ก่อนที่เราไปทํางานก็ได้ ส่วนการพ่ออาณาเนี่ก็ต้องให้มีเวลาว่างจากการทํางานท่านกลับมาบ้านอาน้ำบำท่าเสร็จกินข้าวเสร็จก่อนนอนก็เอาหน้าสมาธิเดียก็ได้กลับเรียนพระอาจารย์ครับดูข่าวทหารที่ตายเพราะสู้รบกับคอมเมดแล้วกดหูไม่อยากจะดูแต่ใจก็กังวลห่วงทหารมากจะลดสภาวะจิตแบบนี้อย่างไรครับก็อย่าดูเรื่ฟ้องเพราะว่า ทุกคนเกิดมาแล้วไม่ชอ า, ากันเลยว่าต้องตายวันนี้คนตายที่ไม่ได้ตายที่ที่เป็นหานก็มีเยอะกว่าเยอะแยะไปขออนุญาตพระอาจารย์ครับตอนนี้คําถามใกล้หมดนะคะ เ, เพื่อนๆถ้าใครมีคําถามสามารถจะส่งมาเพิ่มเติมได้นะครับหลังจากเราทําบุญอุทิศบุญให้ผู้อื่นหมดแล้วเรายังได้บุญอยู่ไหมครับ คือบุญี่เราทิ้งบุิ้งไปไม่ได้หมดนะได้เป็นเพียงบางส่วนนัส่วนใหญจะอยู่กับเราเวลาสวดมนต์หากเราสวดเป็นคําพูดหรือคําอ่านเพราะไม่สามารถสวดเป็นธํานองได้เหมือนพระสวดแบบนี้เราจะได้บุญไหมครับก็อยู่ที่ว่าทําให้ใจเราสงบเลยไม่ถ้าใจสงบเราก็ได้บุญ ทำบุญใส่บาตรแล้วจําเป็นจะต้องปรวดน้ํำไหมครับถ้ า, าต้องการอุทิศบุญให้กับผู้ร้องรับไปแล้วก็ต้องอุทิศบุญแต่การอุทิศบุญนี้ไม่จำเป็นจะต้องใช้น้ำก็ได้ให้เราเราเลิกคิภายในใจว่าเขา อ, อุทิศบุญวันนี้ส่วนนี้ให้กับบุคคนนั้นบุคคนนี้ที่ด้งรับไปแล้วก็ถือว่าเสร็จนะถ้าเราอุทิศบุญคนที่ร้องรับไปแล้วเขาไม่สามารถรับบุญของเราได้ ตอนนี้ผมเปลี่ยนอาชีพจากช่างตัดผมมาเป็นช่างซ่อมรองเท้าได้นั่งพุดโทได้ทั้งวันเลยครับแต่เป็นช่างตัดผมต้องคุยกับคนอื่นเยอะไม่ค่อยได้พุดโทสักเท่าไหร่ตอนนี้ใจสงบมากเลยครับแบบนี้ทำถูกต้องไหมครับเนื้านจากเลือ ก, กอาชีพที่สนับสนันการปฏิบัติของเรา เราควรรับฟังและปฏิบัติตามคำสอนได้จากทุกพระอาจารย์หรือยึดมั่นแค่รูปใดรูปหนึ่งครับอาจารก็แล้วแต่ว่าเราได้รับประโยชน์จากท่านหรือเปล่าถ้าได้เราประโยชน์แล้วก็สามารถรับฟังรับสอนองค์ไหนก็ได้ถ้าเป็นประโยชน์ที่ไม่ผิดไม่เพี้ยนที่ทําให้เกิดผลขึ้นมาจากการปฏิบัติได้ก็ใช้ได้ครั ได้ฟังธรรมะของพระอาจารย์รูปหนึ่งกล่าวว่าถ้าทาบุญกับพระจะได้รับบุญมากกว่าทากับบุคคลอย่างนี้ถูกต้องไหมครับคือบุญมันมีสองส่วนที่เราทํานี่บุญที่เกิดจากการให้นี่ได้ได้เหมือนกันได้ทาบุญกับพระก็ได้ทากับบุคคลก็ได้บุญอนี้บุญที่เกิดจากการเสียสละส่วนบุญที่เราจะได้รับจากพระหรือบุคคลที่ต่างกันถ้าเราทาบุญกับพระพระทานมีธรรมะสอนเราบอกเรา ถ้าทางำกับุคคลก็อาจจะไม่มีธรรมะเขาอาจจะ ม, มีอย่างหืึ่งให้กับเราดังนั้นไปทําทบุญกับหมอเราก็จะให้ความรเกี่ยวกับการรักษาพยาบาลนี่จะต่างไ ป, ไปแล้วแต่บุคคลนั้นมีอะไรจะให้กับเรากลับมาการไม่ยึดว่าเราไม่มีตัวมีตนคนทําอย่างไรครับ ก็ทำตัวให้เป็นแจวทำตัวให้เป็นเหมือนคนคนคนรับใช้ตอนเชาามืดเดินไปทำวัดที่ศาลาบังเอิญไปเหยียบหอยถ้าผิดไหมครับจะขอโทษแผ่บุญให้เขายังไงได้บ้างครับถ้าไม่มีเจตนาก็ไม่บาปแต่ถ้าอยากจะแผ่ขิ้นบุญก็ใส่บานแล้วก็ช่วยขึ้นบุญให้เขาได้ กิเลสอขอกราบสอบถามบุญในการสร้างลูกนิมิตครับอาจารย์ก็เป็นการบริจาคทานอย่างไเหมือ น, น, นอกัไปสมทบทในการสร้างบุญวัดกูบาจารย์อยู่ไกลมีคนแนะนำให้ใส่บาตรหน้าบ้านแต่ให้บอกพระที่รับบิณฑบาตว่าขอถวายสังฆทานคือแจ้งให้ท่านทราบว่าไม่ได้ใส่าบาตรเจาะจงท่านแบบนี้ทำได้ไหมครับ เราไม่นิยมทํานะเราถวายอยางค์ไหนแล้วเก็มาสายให้ท่านไปอย่าไปใช้ท่านเป็นเหมือนกับเป็นเป็นเหมือนกับเด็กมารับของไปให้คนอื่นมันไม่มันไม่ควรไม่ถูกถ้าอยากจะถวายสังฆทานก็ต้องไปถวายที่วัดที่เขาเขารับสังฆทานสังฆทานนี่หมายถึงบอยจากให้กับวัดไม่ได้ให้กับบุคคลเราก็ต้องไปที่วัดเนี่ไปที่ เมื่อใส่เงินไปในตู้บริจาคของวัดเนี่มันก็จะเป็นของวัดไปไม่ได้เป็นของพระรูปใหญ่รูปหนึงแต่ท่านพระท่านเป็นตวารมาแล้วบอกอันนี้ไม่ได้ถอยท่านนะถอยให้ใครมันก็รู้สึกมันมันท้าก็ไม่อยากจะรับมาทำไปถวายท่านท่านเดินมาท่านเป็นทบตายก็จะหาอาหารกินแล้วก็ไม่ยินดีถวายให้กับท่านยังมาใช้ท่านอีกใช้ว่าขอให้ถวายให้กับวัดถวายเป็นของสงฆ์อันนี้มันไม่มันไม่ไม่เหลัะสม คุณรพีพรถามว่าน้องชายใช้คำพูดคำหยาบคายกับพ่อแม่ได้ยินแล้วทุกใจมากครับจะทำอย่างไรดีครับแล้วกรรมมากรรมมาเขาให้คิดอย่างนี้ทากรรมอะไรไว้ก็ต้องเปพูดรับผลขงกรรมนั้นไปกิเลสคืออาการของจิตที่เกิดร่วงกับขันใช่ไหมครับคือความโลภ ก, กนหลงได้เป็นกิเลสโลภอยากได้ของ ขอนี้ไม่ใช่เป็นของเรานี่เรเียบเป็นความโลภโกรธเวลาใครเขาทาอะไรที่เราไม่พอใจอันนี้เป็นกิเลสสร้างความทุกข์ใจให้กับเรากิเลสเป็นตัวสร้างความทุกข์ใจให้กับเราการรับราชการเห็นการที่หลายคนทําในสิ่งที่ไม่ดีต่อสังคมเช่นการปฏิเสธการทําหน้าที่เพราะไม่อยากจะทําเป็นต้นเราจึงรับทําแทนเขาถูกต้องไหมครับ เรามีหน้าที่ทำแล้วเราก็ทำไปทำหน้าที่ของเราไปทำบุญให้แม่พ่อที่เสียแล้วท่านจะได้รับไหมครับถ้าท่านอยู่ในภพภูมิที่ดีครับถ้าดีนะท่านก็ไม่ได้รับเพราะท่านมีบุญบอ่อที่ไม่ต้องมาใช้บุญที่เราสงไป สวดมนต์เมื่ออยากสวดได้ทุกเวลาทุกที่ไหมครับเช่นขณะขับรถครับก็แล้วแต่ความเหมาะสมะการขับรถนี้เราควรที่จะมีสติอยู่กับารขับรถมากกว่ายู่กับการสวดมนต์ทีนีกว่าเพรามัวตัดส่วนมนต์เดี๋ยวรถตัดหน้าเรื่องนีอะไรขึ้นมาเราจะไม่สามารถแจ้งสถานการณ์ได้ ท, ทันท่วงทีได้มีสติอยู่กการขับรถดีกว่า ถ้จาจะส่วนต์ก็อย่ า, ยานั่งเฉยๆลูกจะทําอะไรเช่นไปนั่งนอหมอแล้วนั่งนังงน่งรอแล้วนั่งส่วนบนต์ภายในใจนี่จะดีา่าทําให้เวลาผ่านไปเร็วลูกจะได้ไม่รู้สึกเครียดด้วยนั่งจะคอยูนาฬิกาอยู่งใใยางนี้เมื่อไหร่ถึงคิวยร์แล้วทันทีก่อนคุณพ่อเสียคุณพ่อได้สั่งเสียว่าให้เอาเงินเก็บของท่านไปทําบุญตามวัดต่างๆ แล้วเรานําเงินของคุณพ่อไปทําบุญตามที่ท่านสั่งหลังจากท่านเสียไปแล้วพ่อจะได้รับบุญจากเงินของท่านหรือไม่ครับบางทีท่านต้องทําตั้งแต่ตอนที่ท่านยังไม่เสียเพราะท่านจะได้รู้ว่าเงินที่ของท่านที่ได้ไปทาแล้วตอนที่ท่านเสียแล้วก็ไปทําท่านไม่รู้ะว่าได้ทำจริงหรือเปล่าใจของท่านจะไม่มีความรับรู้ก็จะไม่มีผลเกิดขึ้นที่ใจของท่านคือความสุขใจ คุณสมจิตบอกว่าอยากทําบุญกับพระอาจารย์ครับจะทําได้ทางไหนครับทางกรรมทงเทศทางธรรมนี่นะเป็นวิธีทางปฏิบัติบูชาไม่ได้ทางเทศทางธรรมเราเอาไปปฏิบัติการนั่งสมาธิการทําบุญตักบาตแล้วอุทิศส่วนกุศลให้ผู้ล่วงลับได้ไหมครับช่เราอุทิศได้เฉพาะบุญที่เรา จากการใส่มาตรทำทานในบุนที่เราน่าจากสาร้างสมาธินี่ไม่ทราบว่าได้หรือเปล่านะเพราะไม่มีไม่มีคําสอนอยู่ในพระไตรปิฎกหลวงพ่อบวชให้แม่ชีไหมครับอาจารย์ใช่เ่าเลยนะว่ามันถามพร ะ, าระรอาจารย์นะครับอาจารย์คือการบวชมันเรื่องมันมีแบบ บบ formal กับอินฟอร์มอลอะไรนะบอถ้าฟอร์มอนี่เขาเคยมีพิธีขั้นตอนพิธีกรรมแล้วก็ไม่ทราบแล้วมีการวากาชวนบวชอะไรต่างๆชวนพวกที่บวแบบไม่ไม่ฟอร์มอลตัวแบบว่ามันไม่ไม่เป็นทางการเนี่ยก็มีบางคนมาขอเทสิ่งแต่ก็ได้บวชีแล้วก็คนบวชแล้วก็มาขอเทสิ่งแต่ก็ถือว่าก็บวชชีได้ะก็คเคยบวชบ้านคนงคนสอคนแต่ไม่นั่อย่างนั้นก็ไม่ได้เคยทําเนี่ย ให้คนมากำจัดปลวกที่บ้านบาบไหมครับเพราะเขามากินตู้ของในบ้านครับถ้าเราสั่งเขามาบาบแต่ถ้าเขามาเองไม่บาบถ้าเขาอาสามาไม่บาบเข้าใจไหม <c oughs> ถ้าเราถ้าเราถ้าเราไปบอกให้เขาฟังว่าที่บ้านมีปัญหาเรื่องปลวกเราจะทํำยัำยงไงดีเ้าก็อาสาผมจะมาจัดการให้อย่างนี้ไม่บาบเพราะเราไม่ได้สั่งเขาก็อาสาครับก็อาสามาทําให้เราแต่ถ้าเราสา่งวาช่วยมากําจัดปลวกให้หน่อยาบาบ ก็ตามถ้าตามตามตามพระวินัยทั้งหมดทำเองก็ดีหรือสั่งให้หทุวนทําให้ก็ดีถือว่าบาปบุญที่เกิดจากการให้ถ้าเราตั้งใจให้ไปแล้วเกิดรู้ตัวว่าที่ทําไปคือการให้เราต้องอุทิศบุญตามหลังไหมครับเก็เราจะอุทิศบุญก็ได้ไม่อุทิศบุญกไ็ได้ ถ้าอุทิศบุญกดที่ตายไปเขายจะได้รับได้ถ้าก็รอรับอยู่คุณปวริศถามว่าเราสามารถจะออกแบบชีวิตชาติหน้าได้ไหมครับได้ฉานเลยอยากไปเป็นเทวดาพระเจ้ า, าจก็ะหมอมให้รักษาสีนะ่้าแล้วทำบุญทำทานให้มากกว่าทำบาปมล้วก็อยากไปเป็นเทวดาถ้ า, าอยากไปเป็นพรหแล้วก็นั่งสมาธิเข้าฌานไปล้วก็จะได้ไปเป็นพรหม ถ้าเราจะได้เป็นพระในย่บุคคลเราก็หลังจากท่านสมาที่เราก็ต้องเจริญปัญญาต่อเราก็จะได้เป็นพระในย่บุคคลได้ขอ ง, งที่เราสามารถกําหนดได้ถ้าปฏิบัติธรรมกับพระอาจารย์ที่นำสอนโยมสามารถถวายกาแฟให้ส่วนตัวได้ไหมครับได้ค่ะ เคยมีพระมาบินทบาตของเงินครับสมควรจะให้ไหมครับลำดับพระวินัยแล้วพระพุทธเจา้าห้ามให้พระไม่ขอจากผู้ที่ไม่ใช่ปรรญาติษย์ไม่ผู้ที่ไม่ได้ปาวานาตัวไว้โลกหน้าก่อนคุณสมศรีครับการเรียนถามพระอาจารย์ครับใส่บาตรตอนเช้าพระที่รับบาตรของโยของที่โยมใส่บาตรตลอด เลยโยมรู้สึกไม่ไม่โอเคเลยงดใส่บาทไปเลยโยมทําเช่นนี้ผิดไหมครับก็ไม่ได้บุญนะคถ้าไม่ใส่บาทก็ไม่ได้บุญถ้าใสา่ก็ได้บุญคุณแหลมถามว่าโรงเรียนที่พระสังฆราชองค์ก่อนสร้างไว้อยู่ที่ไหนครับอาจารย์ครับก็อยู่ใกล้ใล้วัณยานประมาณสักกิโลสองกิโลน่าหยิด ถ้าอยากจะร่มง็ไปติดต่อกับที่สำนักงานของทามวัดกระดานนี่ใงใน Google นี่ใน Facebook ก็ะดานโรงเรยนอ ส, ะสะอสอพูนยอเสอเสอแปดสูบมดเยอะมากครับนำช็อกมาขีดจนละมดตายบาปไหมครับถ้าตายก็บาปก็อย่าไปขีดเลมากขีดน้นอยๆพือให้มันได้ลงเกลี่ล้วมันก็ไม่มา ขอเมตตาพระอาจารย์ครับสามาเณรมีศีลประชิกไหมครับไม่มีครับสามาเณรจะฆ่าศีลิยญาติป่วยเป็นมะเร็งตับระยะสุดท้ายครับปวดทรมานมากต้องการให้แพทย์ฉีดเพื่อให้ไปสบายอย่างนี้เป็นบาปไหมครับบาปใช่ว่าเป็นการฆ่าตัวตาย เพื่อนป่วยเป็นโรคร้ายครับควรจะให้กำลังใจและยกจิตเพื่อนอย่างไรดีครับก็บอกว่าร่างกายไม่เที่ยงไม่ใช่ตัวเราเป็นที่รินน้ำลมไฟเป็นโุกตาตัวหนึ่งที่เราเอาศัยใช้มันเป็นเครื่องมือทำอะไรต่างๆแลววันหนึง่งมันก็ต้องจากเราไปคุณสิริออนครับ การจะใช้อนุสติแบบไหนขึ้นอยู่กับเหตุการณ์และความถนัดของเราใช่ไหมครับเช่นถ้าถนัดพุทธานุสติก็ฝึกแบบนี้แต่บางครั้งก็ใช้อสุภาพแบบนี้ถูกต้องไหมครับถ้าไม่มีปัญหาไม่มีกรณีแทรกซ้อนก็ใช้พุทธานุสติไปแต่ถ้าเกิดมีความกำลัดยินดีอยากจะเสพการนี่การมาลาคะขึ้นมาก็าต้องใช้อสุภาพนะครับพระพุโทโธนี่จะไม่สามารถะระับได้ ถ้าเราจะสวดมนต์เราต้องสวดที่หน้าหิ้งพระจําเป็นไหมครับเป่นจาเป็นอ่ะสวดที่ไหนสวดในใจถ้าสวดในใจในี่อยู่ที่ไหนก็สวดได้ลูกด่าพ่อแม่พ่อแม่จะทําอย่างไรไม่ให้เป็นเวรกรรมกับลูกครับก็พ่อแม่อย่าไปโกรธลูกบ่อยก็ด่าไหมก็จะไม่เป็นเวรกรรมให้อภยัยเอาเวลาของตัว การให้อภัเยเวรย่อมเราครับด้วยการไม่จอเวรถ้ามีงานทําบุญเช่นตักบาตรพระกรรมฐานแต่เราไม่สามารถไปได้แต่เราโอนเงินร่วมบุญและฟังทางเพจแทนเราได้บุญเท่ากันกับที่เราไปงานไหมครับได้ได้เท่ากันนะครับ การตั้งใจปฏิบัติธรรมสามารถถวายเป็นพุทธบูชาธรรมบูชาสังฆ บ, บูชาได้ไหมครั บ, บก็ถ้าปฏิบัติ็ได้ต้องปฏิบัติตั้งใจอย่างเดียวไม่ได้ตั้งใจแล้วยังไม่ปฏิบัติยังไม่ได้เพื่อนร่วมงานชอบพูดวีนเวียงบางทีก็ก้าวร้าวกับเราต่อหน้าคนหมู่มากเวลาเราถามจะทำใจอย่างไรครับก็เราห้ามก็ไม่ได้คิดอย่ เขาจะทำอะไรพูดอย่างไรก็เป็นสิทธ์สิทธ์ของเขาเราก็จะได้ไม่ป็นทุกไม่เสียใจเฉยๆไปอย่าไปหวังอะไรจากเขาแล้วเราจะไม่ทุกทําบุญแล้วอุทิศให้เจ้ากรรมนายเวรของคุณแม่ได้ไหมครับคือควาจริงอุทิศบุญนี้ไม่ได้อุทิศให้เจ้ากรรมนายเวรอุทิศให้เปล่ ถ้าเป็นเป็นเจ้า ก, กรรมในเวรของเราก็ได้เขาก็จะได้อาจจะไม่มาจองเวรจอกับมอะไรอีกต่อไปถอดท่อช่วยหายใจบาปไหมครับถ้าคนไข้สมองตายไปแล้วครับไม่บาปเราควรจะสวดอิติปิโสเท่าอายุไหมครับและจะมีผลอย่างไรครับ ยิ่งสวดมากยิ่งดีเพราะยิ่งสวดมากยิ่งทำให้ใจสงมบมากขึ้นเราทำบุญแล้วมาอุทิศบุญภายหลังห่างเป็นวันอานิสงส์งจะน้อยลงหรือต่างจากการอุทิศขณะทำไหมครับคือมันก็อาจจะมันความเส็จมันต่างรนะัน เพราะว่าเราทำบุญแน้วเดี๋ยวเราไปทำนั่นนั้นนีกัดความโกรธขึ้นมามันก็จะมาลบน้ำทับบุญที่ความความรู้สึกที่ดีไปเวลาเราอุทิศไปอาจจะอุทิศความโกรธติดไปด้วยก็ได้ครับเมราะฉะนั้นก็พอทำบุญเสร็จก็ให้อุทิศทันทีเลยท่นน้นสดสดนอนนอนจะดีกว่า วิชาพระพุทธศาสนาถ้าเรียนสําเร็จแล้วไม่ต้องเรียนอะไรอีกแล้วใช่ไหมครับถ้าเรียนแล้วต้องเอาไปปฏิบัติถึงอย่างนไ ม, ไ ม, ไ ม, ไ ม, ไม่ไม่ต้องเรีนอีกต้องเรียนแล้วปฏิบัติจนบรรลถึงขั้นสูงสุดคือขั้นพันนิพายมั่นถึงขั้นพันนิพานแล้วก็จบไม่ต้องมีการเรียนอีกต่อไปไม่มีการปฏิบัติอีกต่อไป มีคนบอกว่าคนตายปุ๊บแล้วเกิดทันทีแต่ทําไมหลายปีผ่านไปเรายังฝันถึงผู้ตายอยู่เลยทั้งที่ใจไม่ได้นึกถึงแล้วแบบนี้คนตายยังไม่เกิดหรือเกี่ยวกับความฝันของเราไม่เกี่ยวกับไมเปจิงของคนตายมันตายเข้าไปกับบุญบาปที่เขาทำแน่ๆส่วนความคิดของเราความฝันของเราเป็นความคิดถุงลอยขึ้นมา นั่งสมาธิแล้วรู้สึกตัวพองแล้วสลายเหมือนอยู่ในอวกาศเป็นอย่างไรครับอาจารย์ก็ให้รู้จเฉยให้กรับมาถ้าเรากลัมาที่กรรมฐานอย่าไปตามนู้กับสิ่งที่ปรากดขึ้นในขณะที่เรากําลังนั่งสมาธิถ้าเราต้องการให้จิตนิ่งสงบมราต้องอยู่กับกรรมฐานถ้าดูงงว่ากลับมาดูลงถ้าพุทโธว่กรรมาที่พุทโธการเบิกบุญหรือทํา นำบุญไปใช้สามารถทำได้หรือไม่ครับเราบอไม่ได้บุญมันจะมาตามเหตุตามปัจจัยเมื่อถึงเวลามันก็มาเม่อยัางไม่ถึงเวลามันก็ไม่มาคุณจิ๊บจิ๊บบอกว่าฉันเป็นคนทำอาหารให้สามีใส่บาตรถวายพระทุกเช้าแล้ววันหนึ่งพระบอกสามีว่าให้ฉันมาใส่บาตรด้วยตัวเองด้วยเพราะได้บุญไม่เท่ากัน บุญใครบุญมันหมายความว่าอย่างไรครับเข้าใจมาตลอดว่าฉันทําด้วยใจแม้ไม่ได้ใส่บาตรให้สามีใส่ฉันก็อิ่มบุญอิ่มใจได้บุญมาตลอดครับอาจารย์มันก็อยู่เป็นของขใครแด้ของสามีก็เข้าไปของเราด้วยกันก็ได้บุญเท่ากันบุนนี้กชนิดที่เราไม่ได้จากที่สามีได้คือบุญความขยันที่จะไปใส่บาตรอันนี้เราอาจจะไม่ได้บุญส่วนนี้สามีเขาได้บุญส่วนนี้เขามีความขยัน เอาว่อาอาหารไปใส่บาตรแต่เราไม่มีความพยานามเราเราเลยไม่ได้บุญที่เกิดจากความพยานแต่บุญที่เกิดจากการเสียสละอาหารไปแนละ้วเราได้เท่ากับสามีถ้าเป็นของของของของทั้งสองคนเพื่อนร่วมงานพูดไม่เพราะพูดกระแทกใส่อารมณ์จะทํำยังไงเพราะว่ายังต้องทํางานร่วมกันและมีเรื่องงานที่ยังต้องคุยกันอยู่ครับอาจารย์ ก็าองเขาว่าเป็นเหมือนดินข้ากายอะไรเงี้ยเรควบคุมเราครับเราไม่ได้พ้นจะตกแดดจะออกเราก็ต้องอยู่กับเขาไปเขาจะพูดีไม่ดีแล้วก็ต้องอยู่กับเขาไปหลวงพ่อมีประสบการณ์ที่คนนับถือศาสนาอื่นสนใจเรื่องสมาธิสติมาเรียนกับที่วัดบ้างไหมครับก็มีบ้างพราะชาวต่างชาติทั้งใหญ่ก็ไม่ได้ไม่ไม่ได้นับถึงศาสนาพุทธแต่ก็ตอนนู้น ตั้งแต่เกิดบ า, า, า, า, าก็มีศาสนาก็มีสลามก็มีคริสต์ก็มีไม่มีศาสนาก็มีแนง า, นานจชิตทำพ่อและแม่ควรจะคาดหวังว่าลูกจะดูแลเมื่อยามที่แก่หรือเจ็บป่วยได้หรือไม่ครับหวังไม่ได้เราะเพราะเราไม่สามารถไปสั่งเขาได้ นั่เป็นตัวเจ้าสงสารให้เราไม่อัตตาเหี้ยตโดนาโทนี่อันนี้แน่นอนก่อนเป็นที่พึ่งได้แน่นอนคือตอนมันที่พึ่งของตนอย่าไปหวังพึ่งคนอื่นเพราะคนอื่นเขาอาจจะไม่ให้เราพึ่งก็ได้แม่จากไปสี่เดือนแล้วนะครับใส่บาตรทุกวันเพราะกลัวแม่ไม่ได้กินข้าวแบบนี้จะคิดถูกไหมครับคือข้าวถ้าไม่ได้กินอย่างแล้วจนะ ส, สิ่งที่ท่านจะได้ก็คือบุญที่เกิดจากการใส่บาตของเราเราทําไปเผื่อว่าเผื่อว่าท่านขาดบุญก็รอรับบุญของเราท่านก็จะได้บุญอันนี้ไปแต่ถ้าท่านไปเป็นเทวดาแล้วอย่างนีท่านก็ไม่ต้องมารอรับบุญของเราคุณตงฤทธิ์ครับกรรมหมู่ที่เกิดกับกลุ่มคนเช่นภัยพิบัติหรือภัยสงครามแบบนี้มีหรือเปล่าครับ ไม่มีเรากมันเป็นภาวะที่มาป่วยมาอยู่มันอยู่ที่เดียวกันอยู่ในเอตการณ์เดียวกันมันก็เลยตายพร้อมกันไปนั่นเองแต่เหตุที่พามาให้ตายก็คือการเกิดนี้ถ้าไม่อยากให้ตายก็อยากมาเกิดการชวนเพื่อนๆมาเป็นเจ้าภาพเลี้ยงอาหารไม่แน่ใจว่าเขาทําเพราะเราชวนไม่อยากปฏิเสธบุญกุศลจะเกิดไหมครับแบบนี้ ถ้าก็มาพวกก็ได้บุญได้กุศลทางทนี่ดีเราเราพูดเราอย่าไปพูดในเชิงบังคับพูดในลัสนาะเล่าให้ฟังวมาที่นั่นอย่าไปทําบุญที่นั่นที่นี่แล้วก็จบไม่ต้องมาไปไปด้วยกันกับผมนะอะไรอย่างนี้ถ้าชักชวนนี้มันอาจจะเป็นการบังคับใจเขาได้มันก็อา จ, จะเกินใจเราแต่ถ้าเราไม่ชวนก็เป็นแต่เราเล่าให้เขาฟังเขาจะมาก็ได้ไม่มาก็ได้อันนี้ก็จะจะดีกว่า เพราะ้าเาได้บุญด้วยความความยินดีเขาจะได้บุญมากกว่าทำบุญด้วยการถูกบงังคับไปทำถ้าอยากจะไปสวดสังฆทานกับพระอาจารย์จะไปวันอาทิตย์ได้ไหมครับวันอาทิตย์ต้อมาตอนบ่ายสองโมง ท, ที่ที่นักบุตริจะมีการแสดงทำสองถึงสามโดยหลังาจากนั้นก็มีการทวายทาน การสวดมนต์ในใจไม่ออกเสียงได้บุญไหมครับได้ถ้าจิตสงบนะส่วนแล้วพุ้งสร้า ง, งไม่ได้บุญมีลูกทำไม่ดีกับพ่อแม่ด้วยกายวาจาใจอย่างนี้ลูกเป็นบาปไหมครับบาป นั่งสมาธิแล้วจะทราบได้อย่างไรว่าเราเข้าถึงสมาธิได้แล้วมีสัญญาณใดบ่งบอกไหมครับเหมือนกาบรับประทานอาหารนะครัเรัทานอาหารเสร็จแล้วมันเกิดอาการอิ่มขึ้นมาในร่างกายอันนี้ก็เหมือนกันนั่สมาธิแล้เกิดความอิ่มอกใจขึ้นมาก็เป็นผลที่เกิดจากการนั่งสมาธิความสงบจากการสวดมนต์กับการภาวนาต่างกันไหมครับ ก็มีสงบมากสงบน้อยถ้าส่วนตอนนี้มันจะแน่น้อนกับการภาวานาการนัน่งสมาธิเรียนถามพระอาจารย์ข้อที่หนึ่งครับได้ถวายอาหารพระในร้านอาหารได้ไหมครับได้ข้อที่สองครับพระมาจ่ายเงินที่โรงพยาบาลจึงนิมนต์ขอถวายเงินจ่ายให้แทนทั้งสองเพราะเรา เราจะได้บุญที่เราเห็นจากใจที่ได้ทําไหมครับได้คุณจุธามาถามบอกว่าญาติขอใช้ชื่อไปเปิดฟาร์มเลี้ยงกุ้งเพื่อขายเป็นอาหารครับเราบาปไหมครับไม่บาปการให้พรเวลาฝนตกควรกลางร่มให้พรสมควรหรือไม่อย่างไรครับ ถ้าใจเหตุก่อนก็สมควรจะได้ไม่เปลียครับนั่งสมาธิแล้วเห็นแสงสีต่างๆเกิดจากอะไรและจะต้องวางใจอย่างไรต่อในการนั่งครับเหตุที่ทำให้เกิดนี้ไม่รู้นะแต่เหตุปัจจัยสิ่งที่ควรจะทำเพื่อคืออย่าไปสนใจให้กลับมาที่กรรมฐ า, านที่เราใช้เพิ่มกล่องใจเรา ให้อยู่กรรมฐ า, านไปเวลามีปรากฏอะไรขึ้นมาไม่ต้องไปสนใจไม่ต้องไปนับเลไม่ต้องไปไม่ต้องไปค้นหาว่ามาจากอะไรไม่จำเป็นที่เรากล่ารเรียนถามพระอาจารย์ว่าระหว่างที่รับทราบการเสียชีวิตของทหารไม่ว่าจะฝ่ายเราเขาทําให้เรารู้สึกเศร้าขณะเดียวกันเราก็เห็นงานเทศกาลฉลองปีใหม่ของคนในแวดวงต่างๆสนุกสนานมันเหมือนเป็นสองโลกในประเทศเดียวกัน เราไม่มีความยินดีกับเทศกาลใดๆเพราะอารมณ์มันต่างกันควรจะวางใจอย่างไรครับก็วางใจให้เฉยไปนะการเดินจงกรมกับการนั่งสมาธิอันไหนจะได้บุญมากกว่ากันครับความสงบจะได้มากกว่าถ้าเรานั่งสมาธิพเพราะเดินนี้ยังมีการเคลื่อนไหวในการกระทบหัวใจแต่เราเรานั่งในใจไม่ต้องทําอะไร ใช่ก็จะสงบได้มากกว่าไม่บุดมากกว่าการทำสงครามและต้องสู้รบกันถือเป็นกรรมเก่าไหมครับถือว่าเป็นภาวะปกติของโลกนี้โลกนี้มี ม, มีมีการต่อสู้กันตลอดเวลาวัตุเรศตาหาแต่ละคนต้องการต้องการสิ่งต่างๆที่ทุกคนต้องการ เมื่อเม่มาแจอกันก็อาจจะมีการแยกกันแล้วก็มีการทํายกันเป็นธรรมดาของโลกมีพระเคยมาขอยืมเงินครับแต่ว่าพระไม่คืนแบบนี้พระบาปไหมครับก็โกหกนะมันบาป เรียงจบรายได้ดีให้เงินพี่สาวเลี้ยงดูแม่แต่พี่สาวเริ่มอายุมากขึ้นไม่อยากดูแม่แล้วมีคนมาขอซื้อที่ดินของผมถ้าผมขายแล้วดูแลแม่ด้วยตัวเองแล้วไม่ทำงานทางโลกผมไม่ควรทำไหมครับแต่เราเราต้องการจะทาอะไรมันก็ไม่บามันก็เป็นบุญเลียู่พ่อแม่ก็เป็นบุญ การปฏิบัติสมาธิภาวนาแล้วจะได้อะไรครับแล้วคาลิฮัตทั่วไปมีความจําเป็นที่จะต้องปฏิบัติสมาธิภาวนาหรือไม่ครับคือได้ความสุขที่ดีกว่าความสุขชนิดอื่นความสุขที่ได้จากสมาธินี่ดีกว่าความสุขที่ได้เงินมาลอยล้านแต่ก่อนเคยสั่งปลาเป็นมาแต่ปัจจุบันซื้อปลามาปล่อยแล้วอุทิศให้สัตว์ที่เราได้ทําร้ายเขาเขาจะได้ไหมครับ ได้อยู่ที่ว่าเขามารอรับหรือเปล่าด้วยถ้าเขารอรับก็ก็ได้นงินที่เราส่งมาให้เขาการที่จะภาวนาให้ได้ฌานจะต้องปฏิบัติอย่างไรครับก็ต้องเจริญสติทั้งวันพยายามควบคุมใจไม่ให้คิดถึงเรื่องนั้นเรื่องนี้ให้อกับพุทโธวุทโธหรือให้เข้าดูอิริยาบถการเคลื่อนไหวต่างๆของร่างกายถ้ามีเวลาก็นั่งนั่งนั่งหลับตา แล้วก็พุโทโธต่อไปเพืดูลมหายใจเข้าหรือใจก็จะเข้าฌานได้ลูกสวดพระคาถามหาจั ก, กรพัทก่อนนอนทุกคืนและลูกก็นั่งสมาธิสิบนาทีแล้วลูกก็สวดแผ่บุญให้ญาติที่ตายไปลูกนึกถึงบุญกุศลที่ลูกได้ทําและลูกก็แผ่ไปให้ญาติเขาจะได้รับไหมครับไม่ไดนะ้บุญต้องปฏิการทาทาน ซื้อพระไตรจีวรมาแล้วส่งไปให้น้องต่างจังหวัดนำไปทำบุญอย่างนี้เราได้บุญไหมครับจุดเริ่มต้นของสงครามเกิดจากกิเลสของมนุษย์ถูกต้องหรือไม่ครับและสงครามจะจบลงได้เมื่อถึงการที่คนเริ่มมีความเข้าใจว่าแท้จริงแล้วทุกสิ่งล้วนเป็นสิ่งสมมติถูกปรุงแต่งขึ้นไม่มีใครเป็นเจ้าของสิ่งใดเลย คงจะเป็นเป็นไปไม่น่ารับที่คนทั่วไปจะเห็นอย่างนี้ส่วนไหนก็จะเห็นว่าสู้กันไม่ไหวแล้วหมดแรงถ้าเราอยากทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้กับทหารที่เสียชีวิตแต่เราไม่ทราบชื่อเรากล่าว ร, มรวมๆได้ไหมครับบุญนี้จะถึงฐานกล้าไหมครับได้ สัมภเวสีรับบุญจากการอุทิศได้ไหมครับก็ก็ เ, เป็นพวกเดียวที่รับบุญได้ให้ไ ม, ไ ม, ไม่ไม่ทราบครัว่าสัมภเวสีนี่หม า, ายถึงอาไรนะคุณบอกว่าไม่ใช่เปรตเน่สัมภเวสีนี่เป็นหมายถึงผู้ที่ยังต้องไปเกิดอยู่ใช่ไหมนะจะคําว่าสัมภเวสีดวงวิญญาณที่ยังต้อไปเกิดอยู่ไั่เข้าใจประมาณนั้นครับอาจารย์ครับแล้วเป็นดวงวิญญาณที่เป็นเปรตถึงจะรับได้ถึงจะมารอนับนอกจากนั้นเขาจะไม่มารอนับ บุญจากศีล5ศีล8ต่างกันเยอะไหมครับพระอาจารย์ก็ต่างนบุญมากขึ้นก็รักษาศีลมากขึ้นก็ได้บุญมากขึ้นมีคนบอกว่าหากจะถือศีลต้องครบข้อจาก5หรือ8เท่านั้นอย่างครึ่งขึ้นกลางๆไม่ครบค้อให้ถือเมื่อพร้อมจริงหรือเปล่าครับอาจารย์เป็นจริงรอะรักษาได้เท่าไหร่ก็รักษาได้ก่อนตางควาเราของมัน ความหลงในทางธรรมเป็นอย่างไรครับก็ยังที่ว่ามีตัวต่ออยู่การใส่บาทถ้าเราซื้อของมาแต่ไม่ได้ใส่เองเพราะต้องรีบไปทำงานอย่างนี้ได้บุญไหมครับได้บุญได้ การภาวนาตอนแรกไม่เชื่อว่าใจจะสงบได้พอฝึกไปเรื่อยๆจิตใจก็สงบเหมือนเราขึ้นเครื่องบินตกลงมานิดหนึ่งสงบเย็นสบายเหมือนไม่มีร่างกายมีแต่ความสงบอย่างเดียวถูกต้องไหมครับถูกต้องคำถามสุดท้ายครับพระอาจารย์ครับพนักงานขายของในซูเปอร์มาร์เก็ตถ้ามีลูกค้ามาถามหาเพื่อซื้อยาฉีดยุงปลวกมแมลงพนักงานจะมีบาปไหมครับ ไม่บาปรคนได้คนได้ไปใช้น่ะบาปคนได้ขายไม่บาป้าเป็นอาชีพที่ไม่ควรจะทาพระนี้นของกากคาพ้าจารย์ครั บ, รรบวันนี้มีเพื่อนๆชมอยู่ในเฟซสี่รอยยี่สิบเก้าในยูห้า้อยี่สิบสี่ในขับเจ็ดในติกต็อกสี่ร้อยสี่สิบเจ็ดรวมหนึ่งพันสี่ร้อยกับเจ็ดคนครับ อ่านคำถามแรกเวลา20นาฬิกา13นาทีพระอาจารย์ตอบไป159ข้อครับพระอาจารย์ครับวันนี้ตอบเยอะนะครับผมก็ขอแสดงความยินดีกับทุกท่านที่ได้เข้ามาสนทนาธรรมหวังว่าคงจะได้รับประโยชน์แล้วนำมาปฏิบัติต่อให้เกิดผลมากขึ้นตามลาดับต่อไป การจนนัน้นําฉรัดคืนนี้ก็คิดว่าพอสมควรแก่เวลาขอให้ท่านตกลงาวา่าสิ่งที่ท่านได้ยินได้ฟังไปพินจพิจารณาไปปฏิบัติเพื่อความสุขความเจริญก้าวหน้าในธรรมนี้ขึ้นไปเถอสาธุก็ขอลาคุณบอกละท่านผู้ชมผู้ฟังไว้เพียงเท่านี้ถ้าไม่มีเหตุขัดข้องใดก็คงจะได้ไพบกันอีกเช่นเคยในอาทิตหน้าขอเจริญพรกราบขอบพระคุณพระอาจารย์ครับ